โอ้ได้อันนี้สงหลายแล้วทานเก้าหมอ้อสิบหมอ้อไม่เท่าทําวัดข้างเดียวนะอันนี้สงหลายทําวัดได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยทําวัดให้พากันทํามีบทหนึ่งนะโมละพระปรลิตอะไรจะชื่ออะไรจาไม่ได้คนระับอาทะยกยุงทองออกเดินทางขึ้นรถขึ้นเรือก็ ท่องท่องไม่ยาวก็ท่องนะมัตถุโพธนังนะมัตถุโพธิญาณนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติญาณมันปลอดภัยไปไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายากันเดินทางาจำให้ได้นะท่องคาถานกยุงนี่แหละนกยุงทองถ้าเขาให้ ผูกข้อต่อยแขนไม่มีคําว่าก็เอาสักกัตวาได้จําได้ไหมละ่ะสักกัตวาอยู่ในแบบในหนังสือสักกัตวาพุทธรัตตนังโอสถถังนี่ยท่นในท่องอันนี้ผูกข้อต่อยแขนเป็นของพิเศษบวกวิธีเฉยๆบางทีลกูกหลานจะให้พูกแขนให้หรือพูกแขนให้เจ้าของมันละ่ะ อหรือจะไปเก็บไปเก็บโอสถนะไปเก็บยาผู้ที่เขาไปเก็บยาเนี่ยมันยาตอนเช้ามันจะมีอันนั้นอันนี้เขารู้จักยาชนิดไหนควรไปจับเก็บตอนเย็นควรไปเก็บก่อนสว่างมันมีก่อนเขาจะไปเก็บเขาจะต้องท่องสักกัตวาเด้อนะ เก็บยาอามีมีฤทธิม์มีเดชมากยาอะไรว่ากันข้อใจแพ่เมตตาอะไรทีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยแค่อึดใจเดียวหรือแค่เพียงดมดอกไม้อืดใจเดียวนั่นแหละสเพสันตาสันดามนตุเอเวลาสุขาชีวินโนรวมที่นี่หมดขั้นสุดท้ายเด้อแผ่เมตตา แค่อึดใจเดียวแค่ดมดอกไม้ว่างั้นนะท่านว่ามีอาณาสง์มากมันทั่วครอบจักรวาลเลยนะขอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะในสามแดนโลกธาตุเด้ไม่ใช่สัตว์ที่อยู่บนบกในน้าแถวนี้ในอากาศบนสวรรค์ชั้นทัมลโลกอรูปคมหมดสามแดนโลกธาตุมันจึงมี คนมีอานิสงส์ลายพากันแพ่เนระือบัดทำอะไรจบก็สเพสัตดาอะไรละ่ะสัต ด, ดาหดด้่นตุอาเวลาสุขาชีวิโนโนนะนะจำเอาด้ะจำเอาบอกให้เข้าใจขึ้นเครื่องบินก็ท่องเอาด้นะอะนามัตถุอะไรละ่ะอยู่นั่นละ่ะ ท่องย่อยย่อไม่ต้อ ง, องยาวเลยอ่านั่นละท่องง่ายง่ายอ่าเป็นเอาคัดคัถ า, า, ามันไปย่ออยู่นั่นแหละถ้าใครไปทุดงเข้ า, า่าไปปรากฎไปทุดงกรรมฐานก็ท่องเมตตัญจะอ่ะยาย่อย่อก็ได้ถ้าไม่ออกกรณีออกกรณีนั่นละ กรณีบทที่สองมาต่อกันมานะอะประมาณโนพุทโธอประมาโนธรรมโธปรากฏลงก็ว่าสองอันนี้แผ่เมตตาให้เขาเวลาเราไปป่าไปปรากฏเราแผ่เมตตาให้เขาอไม่ใช่เราไปขับไล่เขานี้ไม่ใช่เขาอันนั้นเราแผ่เมตตาให้ มันมีส ม, มัยพุทธการตัวพระไปภาวนาในลาวป่าพวกผีพวกเทวดามาไปอยู่เขาเขากลัวเขาไม่อยากให้ไปอยู่เขาเลยมาสําแดงแปลงเพศขึ้นมาเป็นผีเป็นเปรตเป็นอะไรมาหลอกอกับขึ้นมากาบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไล่กับขึ้นมาอีก ที่เก่านั่นแหละมันสงบเงียบดีผีหลอกดีๆเลวมันจิตสงบให้ไปสวดกรณีเนี่ยแหละเมตตัญญาเนี่ยท่องลงไปเลยอัปมาโนพโโุทโธนี่ย่อยๆเราแผ่เมตตาให้เขาไม่ได้ไปขับไล่นะพวกผูดผีปีศาจหรือพวกเทวดาถ้าเราเข้าไปเขากลัวผู้มีศีล เขาอยากให้ออกนี้จากที่เขาเขาก็เลยแสดงอะไรหลอกถ้าเราไปสวดอันนี้แล้วยีแ ม, ม่กล้าหล <c oughs> อกเทวดาก็ไม่กล้กากันแกล้งแล้วละ่ะกลัว่าเอาต่อไปก็จะพานั่งภาวนาพานั่งภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติผูชาเอาตั้ง นโมพร้อมกันจัก่อนอนโมพร้อมกันตั้งสัจจะอธิฐานนะันะโมตัสสะปะกาวโตวอะระหาัโตมุสมะส ม, าามุตตัสสะนโมตัสสะปะกาวโตวอะระหั ก็เป็นการปฏิบัติบูชาถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดดาคุณครูบาอาจารย์ขอให้จิตของข้าพระเจ้าจงเยือกเย็นเป็นสมาธิรู้กแจ้งแทงตลอด ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประกันเทินวุตโตธัมโมสังโฆพุตโตธัมโมสังโฆวุตโตธัมโมสังโฆเอานั่งทีนี่เอาคำที่พาว่าเมื่อกี้นี่เป็นคำตังสัจจะทีิทาน เราจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้ามีเวลาก็ว่าก็ดีเป็นการบูชาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เสียหายนะว่าเสร็จแล้วเราก็ตั้งสัจจะเราจะนั่งสมาธิให้ได้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง เทานั้นนาทีเท่านี้นาทีขอตั้งสัจจะขึ้นมาเลยเพื่อให้เป็นสัจจะนี่แหละมันจะผูกจิตผูกใจของเราผูกจิตผูกใจของเราไปถ้าเผื่อมันอยากออกก่อนก็อย่าพามันออกกิเลสมันจะชวนล้วออกมันกลัวสัจจะต้องตั้งสัจจะไว ไม่ต้องพามันหยุดไม่ครบสัจจะไม่ถึงสัจจะสัจจะนี่แหละจะผู ก, กจิตผูกใจของเราไว้ไม่ให้ออกไปทำให้เราได้รับความสำเร็จสัจจะบาะมีนี่แหละบารมีสัจจะบารมี mm hmm. เอากำหนดสติเท่น่อานาปานาสติวิธีนั่งก็คงเข้าใจแล้วล่ะ นั่งขัดสมาิลาบไม่เอาขาทับกันย่อนๆลา บ, ลาบสบายสบายหรือนั่งขัดสมาิซ้อนเอาขาขวาซ้อนขึ้นมาทับขาซ้ายหรือจะนั่งขัดสมาิเพชรก็ได้ขัดสมาดเพชรเป็นไหมล่ะขัดสมาิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็ดึงเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายฝ่าเท้าเราจะหันขึ้นมาด้านเดียวกันอยู่บนตักตาตุ่มจะไม่เสียดสีกับพื้นนั่งได้ทนอันนี้ไม่เก็บไม่ปวดง่ายให้เราท่านทั้งหลายไปฝึกทำเอาจำได้ไหมละ่ะที่แรกเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนเออนั่นละ เอต่อไปก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ า, ายฝ่าเท้าเราจะแบนขึ้นมาอยู่ท่านเดียวกันอย่างเป็นการขัดสมาธ์แบบพระพุทธองค์ขัดสมาธ์เพชรก็เรียกขัดสมาธ์เพชรขัดสมาธ์สองชั้นใครทําทได้สบายทนนั่งทนกว่ากันนะใหม่ๆก็ทํายากอยู่ พอชินไปแล้วนี่ไม่อยากนั่งคัดสมาธิธรรมดาอยากนั่งแบบนี้มันสบายนะเมื่อจิตว่างลงฐานกว้างมันจะไม่ล้มไม่อะไรมันยังไรเป็นแบบลูกพีรามิดนั่งขัดสมาธิถ้าใครร่างกายไม่ค่อยดีขัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดอกนั่งเก้าอี้ก็ได้ นั่งเหยียดขาก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้แล้วแต่สะดวกสบายตามอัตภาพของเรานะะั่นนะอันนี้ก็พูดเป็น ก, กลางๆให้ฟังเฉยๆดอกอความมุ่งหมายก็คือเอาจับเอาจิตเท่านั้นละ่ะจับเอาจิตไม่ให้จิตไปคิดส่งนอกไม่ให้จิตส่งนอกส่งไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ กิจทรงนอกคือกิเลสนะพิสูนะุน์นั่มานั่งอยู่เนี่ยเพื่อคุมจิตให้มาเซฟอยู่กับลมหายใจเท่านั้นละรู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเอาลมหายใจนี่เป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องลึงกงลงของสติท่านจึงเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอานาปานัสติอ่า อานาก็แปลว่าลมหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าหายใจออกสติก็แปลว่ารละลึกรู้เท่านั้นระลึกรู้ลมเขา้าลมออกเอาสติไปตั้งรูล้ลมไว้ที่ไหนรู้ไว้ปลายจมูกนี่จะงอยปากนี่นะสั้นดังไม่ใช่ดังจมูกนะต้นลมสุดปลายจมูกปลายไม้ปลายมือ ปลายลมลมมาสุดตรงนี้ก็เรียกตรงนี้ว่าปลายจมูกมันหายใจเข้าออกนะมันสุดตรงนั้นก็เอาสติไปตั้งและเล็กลู้อยู่ตรงนั้นนะเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเอายาววนะ่งเด้อเข้ายาวสักสิบครั้งยี่สิบครั้งออกยาวอยู่นั่แหละ แล้วก็สลับสับเปลี่ยนดูเอาสั้นดูเยไยสั้นดูสัน้นเข้าสัน้นออกสัน้นสักยี่สิบสามสิบครั้งดูพิจารณาดูวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์ดูเวลาลมยาวเข้ายาวเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยละวิจารณ์บานเข้าเอิน่าซ่อมภาษาเล่าที่สนัน เสี่ยงหม่ใช่วางในหัวซ้อบมบ้งมางไปนะซ้อบมบังลมลมมันยาวยาวๆนี่มันเป็นยังไงพิจารณาดูนั่นและว่ามันเป็นยังไงลมเข้ายาวๆแล้วก็ออกยาวๆอ่านี่แหละเวลามันเข้าสั้นสั้นก็สังเกตดู ออกสั่นก็ทั้งเกตดูมันเป็นยังไงอารมณ์ของเรามันสุขเลยทุกเอาต่อไปก็เอามาพอดีลองดูเท่นี่ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเอาพอดีพอดีเออมันเป็นยังไงพอดีเอาสติอย่านี้จากฐานนะสติอย่าให้มันวางหนีจากฐาน ให้มันตั้งอยู่ที่ฐานนั่นแหละเข้าก็รู้ว่าเข้าออกอา่านี่แหละอาณาปานสติเมื่อบุคคลใดจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมได้เจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสาวะกิเลตในทิฏฐธรรมนี้ได้เป็นพระหันในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนชาตินี้ หรืออย่างน้อยก็ได้เป็นพระนาคามีเนยสนใจมหยล่ะทีนี้ฮะทำต้องเชื่อพ ร, พระพุทธเจ้าตัดสั้ด้วยอนาปานสติต้องเข้าใจอนาปานสตินี่เป็นขั้วใหญ่เป็นศูนย์รวมของธรรมทั้งหมดทำแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมารวมอยู่ที่อนาปานสติ ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะขั่วใหญ่เอาทำแปดมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็มีพระสูตรพระเวินยพระปรมัติต์พระสูตรสองหมืนหนึ่งพันสูตรเนพระเวินยก็2 1สองหมืนหนึ่งพันสูตรพระปรมัทิต์คือองค์พุทธโธสองหมื่นสองพันสูตร รวมกันเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่นี่ทำทั้งหมดพระสูตรสองหมืนหนึ่งพันพระเวไนสองหมื0นหนึ่งพันปรมัตสองหมืนสองพันรวมเป็นแปดหมืรนปรมัตสี่หมืนสองพันนะ รวมกันเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย่อลงมาเหลืออยู่พระสูตรเนี่ยพระสูตรก็คือสูตรลมเข้านี่ไงอยู่ใกล้ไหมและที่นี่ฮะพระสูตรฮะไม่ต้องไปท่องไปไปอ่านก็ได้พระใจปิดกนะถ้าดูลมหายใจ เห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเรียนจบพระสูตรแล้วมันง่ายถึงขนาดนั้นนะถ้าเห็นลมหายใจออกก็เรียกว่าเรียนจบพระวินัยแล้วอา่าพสูตรกับพระวินัยเท่ากันเพราะว่าหายใจเข้ากับหายใจออกมันก็เท่ากันถ้าเข้ามากออกน้อยมันก็ท้องพองขึ้น เข้าเสมอกันออกเสมอกันเข้าเท่ากันออกเท่ากันเรียกว่าพระสูตรเท่ากันอเรียนจบพระสูตรพระวินายทันทีเพราะว่าแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์รวมลงมาอยู่อนาปานสติอนาปานสติไม่ใช่พูดเล่นพูดหยอกนะเนะี่ยพูดจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยเนี พระสูตรสองหมืนหนึ่งพันสูตรพระเวนไนก็สองหมืนหนึ่งพันพระปรมัติต์สี่หมืนสองพันแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์สูตรไหนไม่ต้องไปท่องไปหาอะไรแล้วพระสูตรสูตรไหนสองหมืนหนึ่งพันสูตรนะั้นนะเขาก็สอนย่อลงมาสอนกายของคนให้ดี สอนวาจาให้ดีสอนใจให้ดีเท่านี้ง่ายไหมล่ะที่ไหนกายดีหรือยังวันนี้คะวาจาดีหรือยังใจดีหรือยังกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยสอนให้คนเป็น พระอาริยะบุคคลนะพระสูตรนะง่ายไหมล่ะเท่เนี่พระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันสูตรเหมือนกันวินัยอะไรล่ะวินัยของกายวินัยของวาจาวินัยของใจไม่ได้ไปวินัยของใครย่อลงมาเท่านี้ง่ายไหมล่ะเทเนี่ฮะ วินัยของกายวินัยของวายจาวินัยของใจคนเกิดมามากต่อมากอยู่ร่วมกันในสังคมต้องให้มีระเบียบวินัยหรือเรียกว่าศีลกันเดียวกันส่วนพระปรมาตาย์คือองค์ุธโธสิงสถิตยอยู่ในลมหายใจนี่เองเมื่อระงับดับ ลมหายใจลงก็เห็นพุโทโธเห็นพระองค์พระบรมัตคือพุโทโธคือผู้รู้รู้รู้เออนิ่งเรียกว่ า, าทำแปดหมื่นสี่พันพระรมขันธ์งเคาะรวมเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองพระพุทธองค์มาตั้งศาสนาใส่นี่แหละ ใส่หัวใจของคนนี่แหละใส่หัวใจของสัตว์สามแดนโลกธาตว่าพุทธโธพุทธศาสตร์แปลว่าตำลาอ่าตำลาที่เป็นตำลาเป็นคำสอนของผู้รู้ของนักปราชญ์บัณฑิตอ่า ตั้งศาสนาว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของนักปราชญ์บัณฑิตของพ้ลูผู้ใดปฏิบัติแล้วเข้าถึงพระนิพพานศะาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาส่วนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเาก็เป้าหมายของเขาก็ตื้น ส่วนาศาสนาพุทธเป้าหมายของาศาสนาพุทธก็คือมรรคผลนิพพานพากันเข้าใจอ่พาพระนิพพานมันอยู่ที่ไหนล่ะที่ไหนฮะอยู่ที่ต้นไม้เดอยู่ภูเขาเดียะอยู่ประเทศอินเดียเดอยู่ประเทศพม่าเหรออ่าอยู่ที่ตึกร้าน เขาหรืออยู่ที่ร้านค้าอยู่ที่ตลาดเด็เขาขายดยิขายอยู่ที่ตลาดไม่ใช่พระนิพพานก็มีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวคนนี่แหละอ่าไม่อยู่ที่อื่นดอกมันมีอยู่ในใจของคนทุกคนนี่นี่แหละมีอยู่ทั่วทั่วทุกค น, นอ่าแต่เราไม่ค้นหา ไม่ค้นหาไม่มีใครมีครูมีอาจารย์มาบอกเฉยๆจึงไม่รู้จักทางดำเนินเดินเข้าสู่พระนิพพานอืมมันไม่อยู่ไกลเข้าใจไมหมล่ะทีนึ่งมันอยู่ในลมหายใจอยู่ในใจเราเองพระนิพพานนะดับลมหายใจลงใด ก็เห็นพระปรมัติขึ้นองค์พุโทโธขึ้นมาเป็นผู้รู้รู้ก็เห็นกิจเดิมแค่ของเราเท่านั้นนะเป็นผู้รู้รู้รูวิญญาณคือความรู้รู้รูู้อยู่นะเป็นธรรมชาติว่างสว่างสวัยพองใสอยู่นี่ยนะแล้วก็เห็นพุโทโธด้วยนี่ยนะนะเห็นองค์ปรมัติปรมัติธรรมธรรมอันละเอียดยิ่งยิ่งกันไปอ่า เป็นธรรมชาติว่างสว่างสวัยครอบโลกครอบจักรวาลอยู่นั่นล่ะเป็นความรู้รู้นั่นก็เรียกว่าพุทโธ ท, ท่านเห็นจิตแท้ใจเดิมของเราวิญญาณ น, นั่นแหละคือจิตเดิมแท้ของเราอุเพจิตตัดด้งจิตตัดด้งแต่ตั้งแต่เดิมมันจะประพัดซ้อนสว่างสวัยผ่องใสอยู่ แล้อยู่ต่อมาเนี่ยกิเลสจอนเข้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกลยใจเข้าไปประกอบกิตจิตจึงเป็นจิตปรุงแต่งจิตผสมอารมณ์เข้าไปผสมกิตกิเลสเข้าไปประกอบจิตอืมจิตก็เลยเป็นจิตปลอมที่ไหยจิตเทียมจิจผสมเหมือนกับน้ํา จิตของเราใสเหมือนกับน้ำกลั่นใสสะอาดผ่องใสอย่างนั้นต่อมาก็น้ำก็ถูกฝุ่นและอองถูกอะไรปิวลงไปใส่หรือถูกสีถูกน้ำเชื่อมถูกอะไรเข้าไปผสมน้ำน้ำจึงกลายเป็นสีต่างๆ กลายเป็นน้ำเชื่อมน้ำหวานน้ำอะไรแล้วแต่เอาอะไรไปผสมเขาก็เรียกตามชื่อสิ่งไปผสมกิเลสไหลเข้าไปผสมจิตเราเนี่ยแหละจิตจึงเศร้าหมองอน้ำจึงขุ่นมัวไม่สะอาดจิตก็เหมือนกับน้ำจิตก็เศร้าหมองไม่พ่องใสเหมือนเดิมจิตไม่สะอาด จิตเศร้ามองจิตเป็นกิเลสอ่านี่แหละมันเป็นอย่างงี้เนะีทีนี้เราก็มาจะฆ่ากิเลสออกทีเนะี่ฆ่ากิเลสออกจะคัดกิเลสออกจะละกิเลสออกละแบบไหนนะอ่าเอาศีลเอาทานเอาทาน เอาทานมาค่าค่า ค, ความตะนีเน้ยแน่นคือกิเลสคือความตะนีเน้ยแน่นตะนีทีเนี้ยวมัจฉริยะคือความตะนีออกจากิตจากใจของเราก็ยังไม่สะอาดพอลอะออกทานล้างมัจฉริยะความตะนีเนี้วแน่น ออกจากจิตจากใจเอาศีลมาฆ่ากิเลสยังยาบได้แก่ความโลภความโกรธความหลงให้ออกจากจิตจากใจมันก็ฆ่าได้ชั่วขค่ชั่วคราวมันยังไม่สะอาดเอาสมาธิมาล้างออกอีก มากำจัดออกอีกค่าออกอีกค่ากิเลส อ, อ, อ, อย่างกลางอันได้แก่นิวรทํทห้าออกนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดไม่สะอาดพอเอาปัญญาเนี่ยเอาสมาธิมาล้างออกก็ไม่นั่นทีนี้เอาปัญญามาฆ่ากิเลสอย่างละเอียด อันเรียกว่าอุปัติที่นอนเนื่องอยู่ในติดสันดานจิตสันดานนั่นนะออกนั่นนะจิตของเราจึงจะสะอาดผ่องแผ้วแก่มใสเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมจิตผู้ใดเหมือนกันนี่แหละถ้าเอา ทานเอาศีลสมาธิปัญญามาข้าวมาล้างบนทินความเศร้าหมองออกจากจิตจากใจจิตของเราก็จะได้สะอาดผ่องใสเป็นธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมนะที่เราเข้าสมาธิที่เรามาปฏิบัติอยู่นี่ก็เอาทานนั่นแหละ มาลางออกเอาศีลมาล้างออ ก, อ ส, มออกสมาธิล้างออกปัญญาล้างออกกิจก็เป็นไทยเป็นอิสระเสรีภาพสว่างสวัยเป็นอิสระอย่างนั้นท่านเรียกว่าอ่าพุทโธกิจเป็นพุทโธกิจเป็นธรรมโมกิจก็จะเป็นผู้รู้ ว่างเป็นธรรมชาติสว่างสวัยกับเป็นธรรมโมเป็นพุโทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโฆขึ้นมานี่แหละที่การเราที่มาทำอยู่านี้พุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ย ม, ม, มันอยู่ไหนนะมันมีอยู่ในลมหายใจนี่แหละลมหายใจเป็นตัวของมันเป็นกายใน ตัวผู้ลูกก็อาศัยอยู่ในลมนี่แหละเมื่อดับลมลมระงับดับลงก็เห็นแต่พุโทโธขึ้นมาเท่านั้นมันละเอียดกว่าลมอีกนะลมยังห่อหุ้มเอาพุโทโธไว้มีเท่านี้นะย่อลงให้ฟังขยายออกให้ดูย่อให้ฟังพระสูตรพระเวิ น, นพระประะมาทิตย์ พรอพุโทโธธรมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจนี่เองมือใจอระงับดับลมเมื่อใจระงับดับลมก็เหลือแต่ความรู้รู้เกิดขึ้นมาก็เห็นพุโทโธเท่านั้นพุโทโธนี่รู้อยู่เฉยๆนะรู้เฉยเรียกว่าอุเบกขาเอกขัดาดาลงไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคล เหมือนอย่างที่เราเข้าใจตั้งแต่ไม่นั่งสมาธิเรายัางหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันห้าอยู่เมื่อนั่งสมาธิลมหายใจมันมีขันห้าดับลงเวทนาก็ดับสัญญาสังขารดับหมดวิญญาณดับหมดกายก็ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารไม่มี มีแต่ความรู้รู้เด่นออกมาตั้งเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละห่างจากหน้าห่างจากหน้านิดหน่อยประมาณขีหนึงประเมิหนึ่งมันมตั้งรู้รู้เฉยอยู่เนี่อยู่ตรงหน้านี่คือเหนือคอขึ้นมามันจะรู้รูเฉยที่ปลายจมูกนะตรงหน้านี่แหละแอมก็ได้ สมัทะเท่า น, านั้นนะสมัะเราจะเห็นในสมาธิเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีสิ่งทั้งหลายลาเป็นอันเดียวกันหมดลมหายใจไม่มีกุฏิกุฏัดดงบ้านพักก็ไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ไม่มี ตัวตนสัตว์บุคคลก็ไม่มีเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เอโกธรมโมเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวลาบมื่นหน้ากองใจครูบาอาจารย์บาคือไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อกิจสงบลงแล้วมีแต่ธรรมชาติถาดรู้รู้อยู่เท่านั้น ตื่นอยู่เท่าเนี่ยเบิกบานอยู่ในธรรมชาติความว่างนั่นแหละพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่น mm hmm. เบิกบานอยู่ในธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ในจิตเรานั่นแหะเมื่อ mm hmm. เป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดเมื่อได้สมาธิแล้วก็จะเกิด ยถาภูตายานทัศนะอ๋อชื่อใหญ่นะเนี่ยยถาภูตายานทัศนะยะถาภูตานะแปลว่าตามเป็นจริงญานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเราก็จะเกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริง ว่าขันห้าที่เขาเรียกว่าตัวตนสัตบุคคลเราเขาก็ไม่มีตอนกิจสงบสัตบุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่มีกายของเราเรียกว่ารูปรูปก็เป็นธรรมชาติใจของเราเรียกว่านามนามก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมชาตินามก็เป็นธรมนธรมชาติ สัตบุคคลตัวตนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีว่างเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแนหะนี่แหละยะถาภูตญาณทัศนาญาณไปว่ารู้ทัศนะไปว่าเห็นเราจะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงอะไรเห็นเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเห็นว่ามันว่างไม่มีสัตวบุคคลตัวตนอยู่ในนั้น่น ก็เห็นตอนนึงเข้าสมาธิแต่จิตมันวางอุปกรณ์คือขันห้าอุปกรณ์เครื่องใช้ของจิตก็คือขันห้าช่วงจิตสงบมันออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวมันออกมาจากธาตุจากขันมามันจึงสั่งธาตุขันทํางานไม่ได้แม้แต่ปวดแข่งปวดขาก็ไม่มีนะเวลาจิตสงบ ม, มันจะมีแต่ความรู้รูู้เฉยนั่นแหละ ท่านเรียกว่าอุเบกขาเอกกัขาตาลมจิตจะล็อกตัวเป็นเอกาธิพโวเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่อ่านี่ก็เรียกว่าเราได้สมถะได้สมถะหรือเรียกว่าวิปัสนาแปลว่าทรรมอันหนึงรร่งทำจิตให้สงบเนี่ยเขาได้จิตสงบแล้วอันเนี้ อันที่สองทำจิตให้เกิดปัญญาจิตหลุดออกออกจากขันห้าจิตออกจากสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นแล้วผู้ใดเห็นในสมาธิเรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิพอจิตถอนออกมาแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงมันอยู่ในสมาธิแล้วรู้ว่าขันห้านี่ ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเลยกายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาใจก็สักแต่ว่าใจเวทนาก็สักตเวทนาเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาสัญญาสังขารวิญญาณสมเขาเรียกว่าใจใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขากายกับใจก็ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา ขั้นห้าก็คือกายกับใจนี่นะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตวเนเราเขาจึงได้ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นจากขั้นห้าอีกรอบที่สองพระละหัน์องค์นี้จะหลุดพ้นทั้งสองส่วนเรียกว่าอุพัโตภาควิมุตต์วิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นอุพัโตภาคือหลุดพ้นทั้งสองส่วนอันหนึ่งหลุดพ้นในสมาธิเรียกว่าเจตโตวิมุตต์อันที่สองหลุดพ้น ตอนเราจิตถอนออกจากสมาธิก็เรียกว่าปัญญาวบื้องบก็ได้เป็นพระหลังหันในทิฏฐธรรมนี้ในชาตินี้เห็นอ่ะพระนิพพานดับขั้นห้าแล้วเห็นมระนิพพานขั้นห้าเกิดดับก็ไม่มีใครไปถือเอาแล้วตายเห็นรูปก็ไม่มีใครไปถือแล้วหู้และยินเสียงไม่มีใครไปถือแล้วเพราะว่าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอยู่ในขั้นห้า ขันห้ามันทำงานมันจะเกิดจะดับอยู่อย่างนี้วันนั้นรอยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันก็ไม่มีเจ้าของขันก็เป็นขันล้นล้ว น, วนจิตก็เป็นจิตล้วนลวนไม่มีใครมายึดมาถือเอามันเกิดมันดับอยู่างนี้มันเกิดเองดับเองของมันเราไม่ยินดียินไรไม่มีเจ้าของจิตของเรายังหลุดพน้น จากั้นห้าเรียกว่าพิมุตถ์หลุดพ้นก็เห็นดับขั้นห้าลงได้ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานจิตก็รู้เฉยล็อกตัวรู้เฉยรู้เฉยตายเห็นลูกก็รู้ให้เฉยเฉหูได้ยินเสียงก็รู้ให้เฉยเฉยจมูกได้กินก็รู้ให้เฉยเฉลิ้นได้รสก็รู้ให้เฉยเฉย ไม่ยินดีไม่ยิน้ายเหตุเพียงเท่านี้แหละคือพระนิพพานอุอเบกขารู้เฉยลู้เฉยง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องไปคิดยากว่าชาตินี้เราจะรู้จะเห็นไหมพระนิพพานถ้าทำตามชี้แจงอธิบายมานี่เห็นหมดทุกคน ทุกท่านเลย่เนี่ถ้าพูดจะไม่เห็นมันจะไปติดอยู่อันหนึ่งติดบ่วงอยู่รู้จักว่าเราติดบ่วงไหมล่ะเดนี่ฮะอ่ารู้จักบ่วงไหมล่ะอ่ามีลูกมีหลานก็เท่าบ่วงผูกคอเข้าใจไม่ล่ะไปไหนไม่ได้เนี่ย ไปพระนิพพานวาไดแล้วข้าบ่วงติดบ่วงเขาอยู่มีลูกมีผัวมีมีผัวมีภรรยามีสามีก็เหมือนมีปอบูกศอกจะห น, นีจะ ก, กันก็สงสารไม่กล้าไปพนิพพานห่วงถูกบ่วงเขามีทรัพย์สมบัติก็เท่า บอกใสขาบ่วงของลูกเปรียบเสมือนเชือกผูกคอบ่วงของพันรยาสามีเท่ากับปอผูกศอกไปไหนมาไปไหนมาเขาท่านเหรอย่านไรเ <c oughs> ออบ่วงทรัพย์สมบัติเท่ากับบอกใสขาบอกใสขาช้าง ไปไหนไม่ได้กลัวเขาจะมางัดบ้านงัดเรือนกลัวเขาจะมาล้วเอาทรัพย์สมบัติมีเงินมีทงองกอไปไหนไม่ได้แตสส่สมัยก่อนไม่มีธนาคารเหมือนทุกวันเอาไปฝังไว้ในดินนะกลัว ค, คนจะมาลักมาขาโมยเอาตายไปก็มาเฝ้าอยู่ในน่หะผู้สวมเฝ้าทรัพย์เคยได้ยินไหมนะอาบวงลูกเท่ากับ เสียอผูกคอวงบุตรพรนญาสามีทรัพย์สมบัติลูกก็เหมือนมีลูกก็เหมือนบวงผูกคอไปใช้ว่าใดย่านลูกว่าไรกินดนยานกลัวเขาจะไม่อยู่ไม่ได้มีผัวมีเมียก็เท่ากับปวอกมือ เ, เสียอผูกคอผูกสอบเอาไว้ไปไหนไม่ได้นะ ผูกเขาผูกศอ ก, ก, กเอาไว้บ่วงอันนี้เป็นบ่วงยนยอนนอกอ่าปล่อยไปเมืองนอกเมืองนากรุงเทพกรุงไทยก็ได้บ่วงนนยอนแต่แก้ได้ยากอ่าแก้ได้ไหมล่ะฮะจะมีคนแก้ได้ไหมล่ะอยู่เนี่ยฮะบ่วงยนยนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและสัพย์สมบัติ จกหน่อยเขาก็ชักบวงขึ้นมาเนาะไปให้กินอยู่ประเทศเก็ชักบวงขึ้นมาเอามาเอาเงินมาใช่ไปไหนเขาก็ผูกไว้อย่งังไงล่ะบวงที่เราไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ก็ไม่กล้าตัดบวงนี่แหละยังไงเนาะจะตัดบวงออก บวงให้มันขาดทั้งสามบวงนะบวงหนบวงในบวงหนึ่งก็ไม่ได้นะตัดบวงลูกออกก็ยังคาสามีภรรยาเลยตัดบวงภรรยาสามียังคาอยู่ทรัพย์สมบัติอีกสู้ดีก็นี้ไปบวชนมนลงตานี่แหละไหนอะไรเตะบวงขาดไปเลยลูกก็ถือว่า เป็นธรรมดามันมาอาศัยเราเกิดเฉยๆเหมือนกับโกบกับเขียดเคยเห็นโกบเห็นเขียดเห็นอืองไหมล่ะมันไข่ใส่น้ำแล้วพอสว่างขึ้นมามันก็กระโดดขึ้นไปหนีใครไปเลี้ยงให้หัวมันล ะ, ะอ่ะมันก็ยังเป็นโกรบเป็นเขียดเป็นอื่นเป็น <c oughs> ไปเลยบวกเนีย่ยตัด อ่า่วงที่สองก็โตแล้วถึงมาเจอกันดอกตายไปเขาก็มาตายทแทนเราไม่ได้ดอกไปสวรรค์นี่พานแทนกันก็ไม่ได้ดอกไม่มีใครตายแทนลองให้อหากันก็นิดๆหน้นๆไ่านั่นแหะถือว่าลองให้แล้วมันก็ไม่คืนมาอีกดอกคนก็เลยได้สติเนี่ยไปลองให้มันเสียน้ำตจ ย, ยังอายเขาว่ากันนะหาเอาใหม่ไม่อดไม่อยากดอก มันก็หมดเรื่องด้วยนะผู้หญิงมีอยู่หลายกว่าร้อยไก่ผู้ชายก็เหมือนกันหาไหนก็ได้กับเพีบตาใส่หน่อยเดียวมันก็มาแล้วนะั่ะขอมาเจอกันใหม่หรอบห่วงกันก็ออาไปไม่ได้แม้แต่กายเราแล้วห่วงกว่าผัวกับเมียห่วงกันนะ ก็ยังตายนี้จากมันอยู่ภาษาอะไรผัวเมียตายแล้วเขาก็มาตายแทนกันมาตายตามกันไม่มีหรอกน้อยที่สุดคนจะตายไปร่วมกับกันเห็นผัวตายจะผูกคอตายตามนี่คงไม่มีเห็นเมียตายจะผูกคอตายตามหรือฆ่าตัวตายตามก็ยากอยู่เกิดมาถึงปัานนี้ก็ไม่เคยได้ยินว่าฆ่าตัวตายตามกันไปหรอก อ่านี่แหละให้เราพยายามที่เราไปไม่ได้ก็พอติดบ่วงนี่แหละอ่ามันติดอยู่ไปพิจารณาดูดีๆเอา้าตั้งสติอันนี้ก็พูดเป็นนั่นให้ฟังให้ใช้ดรอเอาแวบมาก็นนี้จะกันไปได้ดอกค่อยออกไปออกไปทีละนิดละหน่อยถ้าจิตมันเป็นไปได้ มันต้องสละให้โอกาสกันให้โอกาสกันเมียไปบวชเป็นชีเป็นาพามให้ผัวก็ได้อานิสงในการเมียไปบวชในหลายผัวไปบวชให้เมียแต่งผัวไปบวชสามีไปบวชเราก็ได้บุญหลายอานิสงหลาย ท่านทองเท่าหัวไม่เท่าท่านผัวเข้าวัดผัวบวชให้เมียได้อานิสงฆ์สามสิบสองกัปนั่นลูกบวชให้พ่อให้แม่ได้สิบหกกัปบัดบวชให้เมียมันก็ได้หลายแท้ไม่กล้าลองดูเหรอไงให้เมียมีความสุขบ้างนะเขาจะไปเสวยสุขในอานิสงส์การบวชของเราอยู่สามสิบสองกัปนั่น ลีไหมล่ะฮะค่อยๆไปอะไรก็พออยู่พอกินหาไว้ให้กันหมดแล้วล่ะพออยู่ได้กินได้ก็หนีไปก่อนเราจะตายไปบวชให้ลูกให้เมียพอได้กราบได้วหวยหน่อยหรือเมียก็ไปบวชให้ผัวพอได้อันนี้สมให้เขาได้กราบไว้ไหว้หน่อยเป็นแม่ชีแม่เขาไปเออ ันไม่ยากหรอกทรัพย์สมบัติใครตายแล้วเอาไปไม่ได้หรอกเอาหวอัวอนะไรมากมายคนตายมีแต่แบมือออกแบมืออำลาบายบายนะแสดงว่าไม่เอาอะไรติดไปด้วยไม่เอาอะไรไปด้วยเด้อเนี่ยแบมืออ้อนนินมเลยอ่า เกิดใหม่ๆกำมือเอาไว้เหมือนจะเกิดมายึดมาถือแต่แก้มือออกนะั่ะเด็กน้อยเกิดใหม่ๆแต่เวลาตายเนี่ยแบ่มือออกเลยไม่มาเอาอะไรเด้อเมียก็ไปไม่ได้ผัวก็ไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เนดะ้อแบ้มืออ่ะมันไม่มีอะไรก็คแค่นี้ล่ะเ อ, อ้าอาณา แย่ออกหรื อ, อยังอาณาพสูตรเข้าใจหรื อ, อยังสูตรลมเข้าอ่ะพระวินัยคือหายใจออกดับพสูตรพระวินัยลงได้ก็เห็นองค์พระปรมัตถ์คือพุทโธรู้รู้รู้เท่านั้นนะพ อ, อย่างเดียวสตินี่คุ้มกิจมาลูกับลมเท่านั้นมาเอาลมหายใจ มาเสพอยู่กับลมหายใจมาลูกกับลมหายใจอาต้องต้องสร้างบา ร, รมีนะบา ร, รมีเคยได้ยินไหมล่ะสวดได้ด้วยซ้ําไปบา ร, รมีสามสิบทัศบา ร, รมีสามสิบทัศก็ไปจากบา ร, รมีสิบทัศแต่ละทัศละทัศมันแยกออกเป็นสามอย่างอย่างหยาบ อย่างกลางอย่างละเอียดทานบาลมีนี่ทานอย่างห ย, ยาบหยาบทานบางมีเวลาก็ทานเป็นบางครั้งบางคราวทานบาลมีทานอุปบาบาลมีนี่อย่างกลางอันอย่างกลาง ตาณบาลมัทถบาลมีแต่เท่นี่อย่างละเอียดมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเอาสามนี่ไปคูณสิสสสสสสสบก็เป็นสามสิบสามสิบทัศบาลมีเกิดจากการนั่งสมาธิบาลามีทานบาลามีก็อยู่นี่ศีลบาลามีก็อยู่นี่ เนกขมมะบาลมีก huh? ็อยู <Lay an> ่นี่อยู่ที่สมาธินีปัญญาบาลมีก็อยู่นี่อ่าวิริยะบาลมีก็อยู่นี่ขันติบาลมีสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลมีอุเบกขาบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีก็ดูนี่แหละเอาวิริยะบาลมีเนี่ เอายกให้เห็นง่า ย, ายๆเดี๋ยวนี้แหละวิริยะบาลมีคือทํำยังไงเอาเพียนวิริยาแปลว่าเพียนเพียนฝึกสติตังสติคุมจิตมาให้รู้อยู่กับลมหายใจนี่เรียกว่าวิระบารมีเท่านั้นง่ายไมหมอะไรทเนี่ยนะจะไปสร้างเวลาไหนลมหายใจไม่มีสร้างไม่ได้นะบารมีเพียนคุมสติ เอาสติคุมกิจมาให้รู้อยู่กับลมหายใจก็เรียกว่าวิริยะบารมีจะไปสร้างเวลาไหนขันติบารมีจะไปสร้างเวลาไหนนั่งอยู่เนี่ยอยากให้มันขันแตกเข้าใจไหมละ่ะขันแตกปวดขาปวดแข็งปวดขาปวดหลัปวดเอวหนักแล้วก็เพล็กใหม่นั่นแหละ ให้ขันตีถ้าพิกกระดูกกระดิกกินไม่สงบต้องอดกัน้นขันตีไปว่าอดทนอดกัน้นยากระดูกกระดิกยาอเวลาปวดขึ้นมาก็อดเอาเนี่ยนะขันตีคืออดเอาอดกั้นเอามันอยู่ในสมาธิขันตีบารมีถ้าอดได้ก็สําเร็จเท่านั้นเอง ตาบะเนี่ยเผาเจเลยไม่ไปก็สําเร็จถ้าไม่กระดูกกระดิกพระพุทธองค์ก็เหมือนกันนะพระองค์ก็ปวดเหมือนกันท่านสี่ขันห้าเหมือนกันกันกบเราท่านปวดวันนั้นแหละน่ยจนเอามือออกจากกันนะเอามือออกจากกันมาวางไว้ที่พระชงที่หัวเขา่าพระพทรุทธลูกปางนั้นท่านก็สร้างขึ้นมาว่าเป็นอนุสวรีแบบปาง มานวิชัยปางสะดุ้งมานจนสะดุ้งล่ะปวดปวดมากน้ำตาไหลเหงื่อไหลไรออกเลยขันติเอาออกแล้วว่าจะสู้ไม่ได้แล้วท่านเลยมาตั้งสัจจะใหม่ทำจิตให้นักแน่นที่นี่ตั้งสัจจะใหม่เลยเอ้า ทำจิตให้หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นธรณีจะไม่ขยับขยือนเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดนั่นเห็นไหมละ่ะท่านตั้งสัจจะสัจจะบารมีเกิดแล้วถ้าไม่ตัดสู้จะไม่ออกถึงแม่เลือดจะแห้งหนังจะเงินแล้วก็ยอมตายกล้าทำไหมละ่ะฮะเอาให้เหมือนกับขันเตะกล้าเหมือนพระองค์ไหม ก า, ารเด็ดเดียวนะขันตีนะอย่าขันแตกนะพริกหน่อยมันก็ปวดอีกคือเกานั่นล่ละสู้ดีนั่งเท้าคอมันปวดตายเป็นตายเพมพริกทีเดียวตอนครูบาอาจารย์พาออกนะ่ะนะมันก็เอาชนะได้นี่แหละแม่ธรณีมาลิดมวยผมท่วมมานตายวะเนะท่านจังสัจจะอธิษฐานดังหาดอก ทำจิตให้หนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นทรณีจะไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่เป็นเด็ดขาดถ้าไม่ตัดสลูนี่แหละสัจจ์อธิษฐานผู ก, กจิตผูกใจไว้พอตั้งสัจจ์ตั้งอธิษฐานขึ้น พ, พระพุทธองค์ก็เอาชนะมันได้ความปวดแข่งปวดขาก็บินนี้ขันติอดทน อ่าสัจจะอธิษฐานจึงเมตตาเกิดเมตตาขึ้นมาเกิดอุเบกขาบาลมีอ่าจิตสงบลงรู้เฉยนี่แหละอุเบกขารู้เฉยรู้เฉยไม่ยินดีไม่ยินไล่นี่หละจิตสงบล็อกตัวอุเบกขาอยู่ ไม่ยินดีไม่ยินลายอยู่ในอารมณ์เดียวคือรู้รูู้อุเบกขาอยู่เฉยบางเฉยไม่ยินดียินลายเนี่ยนี่แหละการฝึกจะไปฝึกเอาที่ไหนหลังะบารมีจะไปสร้างตอนไหนไม่มีลมหายใจนี่สร้างได้แต่บารมีคนใจขาดสร้างบารมีได้อยู่หรือเออ ยอมแม่ยมพ่อทั้งหลายฮะจะไปสร้างเวลาไหนแล้วโอกาสเรามีแล้วทำไมไม่สร้างล่งะเหค่ายกิเลสให้มันตายค่ายกิเลสมันออกไห ม, มขันติเขาอยู่นี่วิริยะก็อยู่นี่ปัญญาก็อบรมสมาธิอยู่นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนปัญญาบาลมีขันติบารรมี วิริยะบาลมีอุเบกขาบาลมีเขาอยู่นี่หมดอยู่อยู่ในการปฏิบัติภาวนานี่หมดสร้างบาลมีรีบสร้างนะถ้าไม่มีลมให้ใจสร้างไม่ได้นะไม่เคยเห็นใครมาสร้างบาลมีถ้าตายไปแล้วสร้างไม่ได้รอกแม่พระพุทธองค์ท่านก็สร้างอยู่ทุกพบทุกสัตว์ มาชาติสุดท้ายนี่นะท่านมานั่งสมาธาิสามารถทานปรมัถ ท, ทานคือทานขันห้าจารขะขันห้าได้สมัยเป็นพระเวสสันดรก็ทานได้แต่ทรัพ ส, สมบัติในท้องพระคังทานชางทานมาทานกัญหาาลีพระนางมัชชีเท่านั้น ก็ไปพระนิพพานไม่ได้เมื่อเป็นสมัยพระสิทธทามานั่งภาวนาใต้โคนต้นโพนี่จึงทานขันห้าได้ปรามัตถทานคือทานขันห้านั่งสมาธิจิตสงบจิตจาขะขันห้าสละขันห้าออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้รูู้นี่แห ล, ละามัตถทาน ทานอันละเอียดทานอันสูงที่สุดคือจิตจฆาคะคันห้าออกเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอันนี้พระพุทธองค์จึงเห็นอารมณ์ผนิพานขึ้นมาในวัขณะนั้นขณะที่จิตใจฆาค ข, ขันห้าออกก็เห็นอารมณ์ผนิพานเห็นแต่ความรู้รู้ว่างเป็นธรรมชาติอยู่นั่นล่ะ คือพระนิพานจิตลงเป็นธรรมชาติอันนั้นก็เห็นพระนิพานตอนนั่งสมาธิอยู่ออกจากสมาธิอยู่ก็เกิดปัญญาวปมดหลุดพ้นจากขันหาหมดเลยได้อิทธิริปาเดหารพร้อมเอาให้ทำเมานะอาณาปานสติศูนย์รวมอยู่นี่ขั้วใหญ่อยู่นี่ พระสูตรก็อยู่นี่พระวินัยก็อยู่นี่ศาสนาก็รวมอยู่นี่คนจะเกิดก็เอาลมให้ใจเนี่ยมาเกิดคนจะตายก็ลมหายใจขาดเนี่ยแหละตายมันรวมอยู่นี่หมดอ่าไม่ต้องไปอ่านไปนหาดอกอ่าจับสติจับลมหายใจถ้ามันไม่เห็นลมอ่ะ ก็จับเอาผู้รู้นะ่ะทางลัดที่สุดนั่นเนี่ยจับเอาผู้รู้ว่าลมเข้าระบอกนั่นนะหลังลมอยู่นั่นจะมีความรู้รู้รู้อยู่นั่นนะก็สติไปจับเอาผู้รู้นั่นนะสติกับผู้รู้ก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้รูู้้เฉยอยู่นะแม่จับเอาลมก็ลลมหายจึงไม่ไปเห็นตัวความรู้รู้เฉยขึ้น ถ้าใครอยากเอาลัทธก็ไม่ต้องจับเอาลมณ์ก็ได้แล้วจับเอาผู้รู้ว่าลมณ์เข้าระบอกนะคือจิตจิตคือผู้รู้นี่ยนะผู้รู้อยู่ไหนจิตก็อยู่นั่นเอาสติไปจับเอาผู้รูก้ก็ได้จิตตกเบ็ดเอาปลาภาวนาเอาจิตก็เดียวกันนะทํำไปทำมาชำนิชำนานแล้วลมหายกายไม่มีนั่งปับ๊บผู้ชํนานาญแล้วลมไม่มี คงมีแต่ความรู้รู้ว่างอยู่เขาก็เอาจิตไปจับเอาเอาสติไปจับเอาตัวผู้รู้นั่นเลยเดินเดินนั่งนอนไปไหนเอาสติมาตั้งไว้ที่ฐานน่นนะก็เห็นความว่างกับความรู้รูู้อยู่นั่นนะตัวผู้รู้ก็มาลู่อยู่ที่ฐานนี่ตัวผู้รู้ก็คือจิตนั่นแหละจิตก็มาลู่ที่ฐานตัวสติก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเอาตั้งใจทําเอาให้มันได้นะ ทำเอาทำเอ า, า, าจับเอาจิตเลยก็ได้ไม่ต้องจับเอารมลมเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อล่อจับเอาจิตเฉยๆพุโทโธสัมมาลหังยุบหนอพองหนอเป็นอุปกรณ์เครื่องล่อจับเอาจิตถ้าเราได้จิตเห็นจิตแล้วเราไม่ต้องการดอกลมหายใจไม่ต้องการดอกพุทโธยุบหนอพองเนอสัมมาลหังเราก็เอาสติจับเอาจิตเลย ถ้าใครไม่ได้จริงๆก็จับลบไม่ถูกจริตนิสัย ท, ท, ท่าพุทโธทัมโมไม่ถูกจริตนิสัยก็เอาสติจับเอาผู้รู้เลยจับเอาจิตเลยตั้งไว้ฐานใดฐานหนึ่งเอาตั้งไว้สติมาตั้งไว้หน้า อ, อกตั้งไว้ปลายจมูกอย่างใดอย่างหนึ่งจับเอาผู้รู้เนะ่ยผู้รู้นะั่นคือจิตอ่ะผู้รู้อยู่ไหนจิตก็รู้นั่นละ่ะ ผู้รู้กับรู้อยู่ที่ปใบจมูกจิตก็อยู่นั่นแหละเอาสติไปจับเอาตัวผู้รู้นั่นแหละจับเอาจิตเลยจิตมันจะมีลักษณะรู้รูกับว่างอยู่ถ้าไม่เห็นผู้รู้จับเอาความว่างนั่นก่อนก็ผู้รู้กับผู้ว่างก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอา้านี่นี่วิธีเข้าทางลัดนะแม่ลมหายไปแล้วก็เหลือแต่ผู้รู้รู้ก็เอาจิตมาจับเอาผู้รู้คือเขา เขาใหญ่ไหมแหละที่นี่ครับทางลัดนะจับเอาจิตเลยจับเอาจิตเอาใจเอาของเลยมันคิดไปไหนใหญ่มันคิดไปคุมอยู่จับเอามารู้อยู่ที่เดียวไม่ให้มันออกหนีจากฐานให้มันมารู้อยู่ที่ฐานที่เดียวเท่านั้นไม่ให้ไปรู้ที่อื่นมารู้อยู่ที่ฐานสมาธิ จับเอาผู้รู้นี่นะจับเอาจิตเลยก็ง่ายผู้ใดฉลาดก็ง่ายผู้ใดไม่ฉลาดก็เอาลมมาล่อซะ ก, ก่อนมาเป็นอุปกรณ์ล่อให้จิตมาเสียประรลมจึงจะมาจับเอาจิตนี่ยมันก็ง่ายอีกถ้าผู้ใดเอาทางลัดก็คือจับเอาจิตเลยแน่จะง่ายขึ้นนะทีนี้นะ จับไว้ที่ไหนที่ฐานต้องผูกจิตไว้ที่ฐานอย่าให้มันนี้จากฐานจับเอาผู้รูนะ้อ้าววันนี้ก็พูดมาอันนั้นอันนี้ก็อพอเป็นคติอุท ahkan สอนจิตสอนใจอย่าของเวลาปฏิบัตินะพอจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติ อาณาปานาสติสมาธินี่แหละเอาอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าปานนะก็แปลลมหายใจออกสติก็สติก็แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาร ะ, ะลึกระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าภาวนาง่ายๆนี่แหละถ้าจิตสงบแล้วก็ได้สมถะลมหายใจไม่มีก็ได้สมถะภาวนาถ้ามันไม่สงบเห็นลมเข้าลมออก ลมนี่แหละคือกายของเรากายในกายลมคือกายในมันจะวิ่งเข้าไปในกายนอกกายเห็นกายในกายเราจับเอาลมณ์ให้ใจเราก็จะได้ทำสี่อย่างคือสติปัญญาสี่ขึ้นมาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนดอกมากันจับเอาเด้ออ่านี่แหละ เมื่อเมื่อเห็นมันเข้ามันออกลมเข้าลมออกลมไม่หายไม่จางคลายให้ไปเราวเห็นเข้าเห็นออกลมเข้าลมออกมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงทีนีน้ลมนี่แหละคือกายตัวจิตคือผู้ลู่อาศัยอยู่ในลมนี่แหละลมหายใจจึงเรียกว่าวิญญาณวินคือตัวตัวลมญาณคือตัวลู่วินคือกายของเราญาณคือใจ วิญญาณนี่แหละคือขันห้าขันละเอียดเ อ, อย้ยแม่ละเมื่อลมวิ่งเข้าไปในกายก็เรียกว่าเราเกิดวิญญาณวิ่งเข้าไปในกายเราก็เรียกว่าเราเกิดวิญญาณวิ่งออกมาพ้นไปจาหมูกก็เรียกว่าเราตายความเกิดความตายมีอยู่ทุกลมหายใจให้เราเห็นเข้าก็เกิดออกก็ตายถ้ามันไม่สงบนะ่นี่ง ให้ดูเลยไม่ต้องกลัวเห็นเข้าเห็นออกแสดงว่าเราเห็นขันห้าเข้าใจขันห้าไหมล่ะลมคือรูปภายในตัวยานคือตัวใจคือนา้ารูปกับ น, น้ำนี่ลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่ารูปกับน้ำวิ่งเข้าก็เรียกว่าเกิดวิ่งออกมาพ้นไปจากหมวกก็เรียกว่าตายตายชั่วขณะนึง ให้เราเห็นขันห้าเกิดดับเกิดตายตายหรือดับอันเดียวกันนะนี่ก็เกิดปัญญาเบื่อหน่ายรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าลมเข้าไปก็เรียกว่าเกิดลมออกมาเรียกว่าตายเราจะเห็นขันห้าเกิดตายเกิดตายอย่างจึงจะเห็นตรลักยานเขาเ้าใช่ไหมตาลักยานลักษณะสาม คืออนิจจังมันเข้าแล้วก็ออกแสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอะเนี่ยฮะไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ได้อยู่ใต้บงังคับบัญชาของใครไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในลมหายใจนั้นมันเกิดแล้วมันตายเป็นอนิจจังเราก็ได้วิปัสสนาเข้าใจป้ะให้แน่เข้าใจไหมล่ะถ้ามันสงบก็เรียกว่าได้สมถาะ ถ้ามันไม่สงบก็ไม่ต้องไปดีใจใ้ใจแล้วก็ได้ปัญญาเห็นไตรักยานในลมหายใจเห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเข้ามันออกพึ่งพาอาศัยไม่ได้ลมหายใจเราจะเบื่อหนาา่ายครายความยินดีในลมของเราโอมันแค่ลมเข้าลม อ, อัวพึ่งพาอาศัยไม่ได้มันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เข้าเลยถ้ามันไม่ออกล่ะ ใครจะไปเพื่ออะไรได้แล้วจึงจะเบื่อหน่ายคายความยินดีในขันหาจิตจึงหลุดพ้นก็ได้ปัญญาวีมุตเมื่อมันสงบก็ได้เจต ว, วิมุตมันไม่สงบเห็นเข้าเห็นออกก็ได้ปัญญาเอาละวันนี้ก็พูดมาพอสมควรเ อ, เอวังโอ้กำลังดีขึ้นแล้วเว้ย <laughs> ม <c oughs> ีขันติแล้วฮ ะ, ะต่อไปจะได้แน่ถ้าขันติถ้ามีความอดทนก็ได้รับความสงบขึ้นที่มันไม่สงบเพราะว่ า, วาบารมียังไม่พอบารมียังไม่เต็มเข้าใจไหมจำ้อยฮะออนั่นแหละทำน้อยความเพียรยังไม่พอ คันตียังไม่มีสัจจะยังไม่เคยตั้งเลยใช่ไหมปวดขาที่นี่ตั้งสัจจะใส่น ะ, ะตั้งสัจจะใส่เลยปวดค็มันปวดโลดคนเขาไ้นอนอยู่โรงพยาบาลเอาขาชีฟ้ฟายึกยักยึกยักอยู่เขาไม่ใจใช่ไหมโยมทุ๊กหรือเขาตายอยู่ไม่มี ไม่ตายหรอกแค่เรามานั่งอยู่นี่ไม่มีบาดไม่มีแผลเมือนกับเขาอ่าเขามานอนเอาขาชีา้ไป้าไว้ไปเห็นยึกยัด ย, ยึดยัด <laughs> <laughs> เขาก็นอนลายเดียวเลยัยงไม่ตายเรามานั่งขนาดนี้ด้วยจากบารมีไหมล่ะทเนี่ยหรอขันติบารมีวิริยะบารมีอากันนำเอาไปใช้เลย ปึกคุมสติเอาสติคุมจิตมาลู่มลมให้ใจก็เรียกว่าวิริยะบาลมีเข้าใจไหมละ่ะฮะขันตีเมื่อมันปวดแ้งปวดขาอยาไปแย็บให้มันยึกยักให้มันเอาตายเป็นเดิมพันเลยเราไม่ตายกิเลสต้องตายใครจะขันตีเนี่ยจะประค่ากิเลสให้ตาย ขันตีตโปติติขานะตะบะตะโปคือตะบะจึงจะเห็นพระนิพพานถ้าไม่มีขันตีไม่เห็นที่เราสวดอยู่ขันตีตโพตีติขานิพพานังบามังว่ารันดีพุทธาจึงจะเห็นพระนิพพานถ้าไม่มีขันตีไม่เห็น เด็กกิเลสลูกลูกเดียวมันตายใครจะมาดูแลลูกให้ว่ากันนะปวดขาตายเป็นอมาพาตอมพักษ์นี่ใครจะไปดูแลครอบครัวให้กิเลสเราก็สั่งเราลูกออกใช่ไหมล่ะทั้งนั้นหนัง ะ, ะกลัวตายก็เลยลูกตามกิเลสสั่งที่จริงเราเป็นทาสของกิเลสแล้วนั่นเองเวลา มาสวดมนต์พุทธสัสังหางนิยาเทมิสรลิลันคีวิจันจีทังวะเร่ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้านะบัดไม่กิเลสสั่งละที่นเนี่ยก็ไปถือเอาตานกิเลสเนาะมันสู้กิเลสไม่ได้เขาว่าให้ลุกเขาว่าให้กระดูกกระดิกให้เพีกขากอดตามกา อันก็เลยสู้ก็ไม่ได้เอาใครสงสัยอะไรให้โอกาสถามนิดหน่อยมีไหมถามปัญหาสงสัยอันนั้นอันนี้จะได้ตอบให้หมู่เพื่อนฟังด้วยมีไหมมีใครสงสัยอย่าถามไหมตอบอ่ออบนนาอคุยกันสนทนากันตาเบิ้ลตาเบิ้ลตาเบ้า คือตอนเช้เชาๆคะ่ะที่มาทำพระเช้าแล้วก็นั่งสมาธิต่อคะ่ะรู้สึกง่วงจนจนิตสติไม่เหลียวคะ่ะนี่จะพาไปตื่ตนไหยแก้ได้บ้างค่ะลุกอนะอกไปเดิน <c oughs> ไปล้างหนะ้า เ, เข้าใจไหมเหลือไมก่ก็หายใจเข้าลึกๆยาวๆให้ท้องมันพองกลางออก แล้วกั้นเอาไว้ไม่ให้มันออกไม่ให้มันออกมาลองดูก็ได้นะมันอยากออกทางหูก็มันออกลนลมออกทางจมูกมันออกกั้นเอาไว้พอมันกลัวมันจะดใจมันก็หูกลางออกหายง่วงไปล้างหน้าเดินนะออกไปเดินเปลี่ยนอริยบท นะวิธีแก่หรือกั้นลมให้ใจไม่ให้เข้าไม่ให้ออกมันจะเป็นยังไงมันจะหายง่วงไหมฮะลองดูนะอันนี้ไปทดลองดูก่อนกั้นไม่ให้ลมเข้าลมออกลองดูเข้าแล้วไม่ให้ออกออกมาแล้วไม่ให้เข้ามันจะเป็นยังไงเอาลองคิดดูลองกั้นดูเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ สักนาทีสองสามนาทีลองดูเหอเงยแตกออกแล้วนะ <c oughs> มันจะหายง่วงนะเอา้าลองดูน ะ, ะตั้งจิตให้ดีกันใจเอาไว้ไม่ให้ลมเข้าลมวอกทดลองดูมันหรือไม่ก็ลุกเปลี่ยนอริยบทนะไปล้างหน้าหรือไป หรือพามันคิดอันที่สามพามันคิดคิดจะไปคิดเรื่องจะไปทามาค้าขายคิดดูกายจะของนี่มันจะอยู่ได้สักกี่วันเดี๋ยวนี้ก็หายใจเข้าออกเข้าออกอกายของเราก็เปรียบเสมือนน้าอยู่ในไรในนามันงวดมันแห้งไปทุกวันเข้าใจไหม กายของเราพิจารณาอยู่อย่างนี้จิตของเราเปรียบเสมือนปลาอยู่ในน้ำเมื่อน้ำงวดลงงวดลงเธอจะไปอยู่ไหนล่ ะ, ะน้ำแห้งปลาจะไปอยู่ไหน<ใ> น, นี่<ใ>นคิดดูไ ป, ไปซุกอยู่ไหน กอยากจีฮะออนี่แหละเราจะทำยังไงทีเนี้ยวิธีแก้นี่แหละคิดอย่างนี้นะเราจะแก้ใครยังไงน้ำคือกายเราเนี่แยแหละในในหล่ในานาใจเราคือปลาน้ำมันก็งวดลงทุกวันทุกวันใช่ไหมล่ะฝนไม่ตกลงมาใส่แห้งปลาอาศัยอยู่ในน้ำคือใจ ใจอยไปอยู่ไหนมีสาณะหรือยังที่ไหน ม, มีที่พึ่งหรือยังต้องอบรมเจ้าของอันนี้นะถ้าถึงวันนั้นจิตจะไปพึ่งอะไรอัตตาเหียตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทําใจเจ้าของให้เป็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในให้ได้เข้าใจไหมล่ะที่ไหนต้องตั้งใจทํำเลยที่ไหนอ่าที่นั้นมิทำจะหายไป ถ้าเราคิดอย่างนี้กลัวตายจิตมันจะกลัวมันจะความง่วงเงอให้นอนมันจะหายคลายออกไปได้เดินปัญญาเด้อเดินปัญญาก่อนไม่สงบก็พาเดินถอดผมออกมาผมเป็นเราใช่ไหมผมเป็นคนใช่ไหมเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมใครมาตั้งชื่อว่าผมผมมันเกิดมาจากไหน ตั้งแต่เราไม่มาเกิดผมมันอยู่ไหนหาให้มันเจ อ, อมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างเป็นธรรมชาติอยู่เวลาเราลงมาปฏิสนที่ในคันของพ่อของแม่ผมขนเล็บฟันมันยังเกิดมีขึ้นมาเข้าใจไหมล่ ะ, อะเออามีอะไร อ, ะ อ, ะอีกนะคะตาเสภา คืออ <łość> ันนี้เกิดจากตัวของอ้อยก็คือมีอยู่คืนหนึ่งก็มีความสึกวตัวเองนอนไม่หลักจัหะมันนอนมันก็มีความคิดเกิดขึ้นก็พยายามที่จะให้หลับมันก็มีความคิดเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็กลับมาดูลงใจตั้งสติไว้ให้ได้ให้ดูลงใจพักหนึ่งเมื่อเกิดความคิดสติแต่มีตัวรู้ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมันฟัง นี่มันไม่ใช่เตัวตนนี่มันไม่ใช่มีอะไรทำไมมันคิดออกมาอย่างนี้นเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือควาสุะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันหลับลงค่ะหลงตาตัวนู้นั่นบอกว่ามันมีแต่ความว่ามันมีอะไรอะความคิดเนี่ยมันมันมันว่างเปล่าแล้วมันคิดทําไมบอกอย่างนี้ค่ะหรงตเพอบอกปุ๊บ มันหลับมันหับดับโอมันต้องเข้าใจตัวใครไม่รู้จากความคิดอยู่เนี่ยฮะมันเห็นทางตาเห็นว่าความเห็นความคิดกับสังขารมันไอเป็นเดียวกันไหมไม่คะ<า>ไม่ฮะสังขารคืออะไรความคิดความคิดกับสังขารฮะเอาสังขารกิดไหม จิตแตสังขารสังขารจิตอันเดียวกันไหมอันเดียวกันค่ะอ่าสังขารขันอันเดียวกันไหมอ่สังขารขานัขนนี่ก็คือขันห้าความคิดก็คือขันห้าอย่างไง้มันเป็นขันห้าอะไรยังไงละ่ะฮะมันเอาอะไรไมาคิดเรื่องเก่าในอดีตใช่ไหมอารมณ์เกา่านั่นสัญญาอารมณ์เกา่า สัญญาอารมณ์เก่าที่เราจําได้หมารู้เอาไว้ว่างๆกิจไม่มีงานกิจก็เลยหางานทําเข้าใจไหมอารมณ์เก่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรับเอาไว้รับเอาไว้ในใจใจเรียกว่าทำอันนั้นเรียกว่าอารมณ์ทำบวกกับอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรทำมารมาก็จะทำอารมณ์ไหมทำมารมนี่คือรูปภายนอก ที่ตาหูจมูกลิ้นรับไว้แต่อดีตเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่บอกคนเดียวนะนเนี่ยนี่เวลาว่างๆจิตไม่มีงานทำจิตก็เลยเอางานออกมาทำอารมณ์จะไหลออกมาจากใจของเราตัวนี้คือลูกภายนอกเข้าใจไหมทำอารมณ์คือลูกภายนอกที่เรารับเอาไว้อารมณ์ภายนอก เรียกว่าลูกภายนอกใจของเราเรียกว่าลูกภายในความรู้เกิดขึ้นว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือลูกกับนามลูกกับนามอาศัยกันเกิดกายกับใจอาศัยกันเกิดมีตัวมีตนไหมอ่าเกิดขึ้นแล้วมันดับไหมมันมันดับมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงจะไปถือเอาไว้ทำไมฮะก็บอกเรียกของโดนคันห้ามันเกิด ดับกับกัารยิยงนี้เกิดกับดับพร้อมกัารยิยงนี้เป็นอนิจจังดุขัง น, นตาตตาเธอจะไปถือเอาทําไมวิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์วิ่งตามสังขารทําไมก็คือขันห้าทํางานเข้าใจขันห้าทาาําทงานไหมอลไรทีนึงฮะถ้ามาอย่างนี้มันก็เกิดผีหลอกเราอย่างนี้ตลอดแหละนะถ้าอย่านี้ที่เห็นก็คือลองเห็นการเกิดแบบอ๋อขันห้ามันทํางานเฉยเมันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยงผีขั้นห้าหลอกเย้าของอถ้าเข้าใจอย่างนี้มันเกิดหลดับมันเกิดเองดับเองไม่มีเย้าของไม่มีใครไปยึดไปถือเอาปล่อยทิ้งไปเลยอย่าไปตามมันไม่ให้ตามนะบางคนยังไม่จบใช่ไหมคิดยังไม่จบตามไปมันก็มากเรื่องไปตัดทิ้ง ความคิดเปรียบเสมือนงูพิษงูพิษมันเลื้อยไปแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาแบบนับนั่นนั่ น, น, นหลงมากะไหลตามมากเลยค่ะนั่นถ้าไหลไปตามถ้าเราไปจับเอาความคิดก็เป็นทุกข์ความคิดเปรียบเสมือนงูพิษงูเหา่างูช้ำทานมันเลื้อยไปอย่าไปจับมันอย่าไปถือเอา อ, อย่าไปยึดเอา อย่าไปตะคุบ ม, มันถ้าจะคุบ ม, มันมันก็มาฉกเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าปล่อยมันหนีไปล่ะมันเป็นยังไงฮะมันไปไหนก็เชื่หอมโยงหรอกความคิดมันเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมล่ะมันไม่เที่ยงไหมอย่าไปเป็นตะคุบเอาของไม่เที่ยงไปจับเอาของไม่เที่ยงมันเกิดไปแล้วร้อยครั้งร้อยครั้ง เ, งเราป่วยทิ้งไปเลย ทวนทวนเข้ามาทวนเข้ามาหาลมทวนเข้ามาหาจิตจิตคือผู้รู้คือนักปราชญ์ัณฑิตความคิดคือคนพนันแล้วจะเอาจิตไปเสียบกับคนพนันเลยยอมตก อ, อ่ะอ่ เอาอาอารมณ์เก่าว่งวางๆจิตมันเคยทำงานใช่ไหมละ่ะพอดีมันว่างๆมันก็เลยหางานทำแต่เราไม่ได้พอเราเห็นมันเกิดขึ้นใช่อหม เ, อเราไม่รู้จักว่าโอ้มันขันห้ามันจิตมันทำงานเฉยๆขันหมันทำงานเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ รัขึ้นมาอกว่าเออเนี่ยมันมันมันมไม่มีอะไรเลยมันว่างมันเป็นสุญญตาว่างเปล่าเราไปยึดเอาของไม่มีว่ามันมีมันเลยเป็นทุกข์เข้าใจไหมล่ะมันเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาคนฉลาดน้อยก็เลยไปอุปทานเอาขันห้าไปอุปทานขันห้านั่นแหละทุกเกิดคิดเรื่องไม่ดีก็ทุก คิดเรื่องดีก็อยากหาเงินไปซื้อใช่ไหมก็ทุกข์คือเก่านะเงินไม่พอต้องหาอยากคนนั้นคนนี้ไปนะ่ะไล่ไปทุกข์อีกใช่ไหมละ่ะอันนั่นล่ะมันไม่มีตัวไม่มีตนอย่าไปแบกเอาอารมณ์แบกเอาความคิดความคิดคืออารมณ์เคยได้ยินหมอลำสิ น, สนชัยไหมสินชัย ทางอีสานเขาหมอลำสินชัยฮะสินชัยตามเอาอาสินไช่น่าโมอาคนอีสานจะรู้อยู่คนอีสานว่านี่แหละจิตของเราเนี่ยแหละใจของเราเลยนําเอาอารมณ์ตามเอาอารมณ์จบไม่เป็นอารมณ์นี่เกิดก็ดับอารมณ์ใหม่เกิดไปดับไปเป็นอนิจจังตัวกลางเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบ ไม่มีอะเป็นอนัตตาเราหลงว่ามันเป็นอัตตามีตัวตนหลงว่าเราคิดอย่างไนหลงว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าแล้วอย่างก็เลยมาอุปทานเอาขันหาก็เลยทุกข์ถ้าเท่าใจอย่างนี้ความคิด ม, นนมันเกิดขึ้นเราก็วางได้นะทีนี้ไม่ได้อวดเอานะโอ้ยภาษาอารมณ์เก่ามันเกิดแล้วมันดับไปแล้วตายเห็นไปแล้วหูได้ยินไปแล้ว มันจําของเก่าเข้ามาแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาอีกมันไม่มีตัวตนอะไรเป็นเพียงอารมณ์เฉยๆไม่มีตัวตนมันเป็นอนิจจังทุกขังนั่นา้ามันเป็นงูพิษถ้าใครไปจับเอาความคิดก็เป็นทุกข์เขาว่างูก็กลับมาฉกมากัดเราใช่ไหมล่ะถ้าเราปล่อยมันหนีไปแล้วแต่มันจะหนีไปไหนแล้ว ไม่ยินดีไม่ยินไลยมันความคิดมันก็ดับลงเท่านั้นเข้าใจไหมหล่ะท่นเนี้ยความคิดนี่เขาเรียกว่าขันห้าทำอารมนี่เห็นธรรมในธรรมนี่เขาว่าเรายังไม่เห็นธรรมในธรรมนะเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าเห็นธรรมรมดาเห็นธรรมในธรรมนี่ไม่ได้อยู่ที่ นี่เมื่อเราจับเอาอาณาปานสติแล้วก็ได้ทาสี่อย่างหนึ่งเห็นลมหายใจเข้าไปในกายก็เห็นกายในกายสองเห็นลมหยาบลมละเอียดลมเบาลมอะไรก็เห็นเวทนาในเวทนาเมื่อเราไม่เห็นลมแผลงความคิดเกิดขึ้นก็เห็นจิตในจิต ทีนี้เห็นธรรมในธรรมเห็นอารมณ์เก่ามันมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจไหมล่ะเห็นธรรมในธรรมคืออนิจจังทุกขังนาตานี่คือธรรมชาติธรรมดาเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นธรรมในธรรมอารมณ์นี้เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมในธรรมเข้าใจไหมทนี้ได้ธรรมสี่อย่างอาณาปานสติบุคคลใดเจริญแล้วทาให้มากแล้ว จะได้ทำสี่อย่างคือสติประธานสี่ใช่ไหมท่านนะ่เห็นลมวิ่งเข้าในกายก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นลมหยาบลมละเอียดก็เกิดสุกเวทนาทุกเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นธรรมดาเห็นธรรมดาความคิดก็คือธรรมชาติอันหนึง่งเกิดจากใจ ตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมในธรรมถ้าเห็นสติได้สติประทานจีแล้วก็จะได้ทมอีกเจ็ดอย่างเกิดขึ้นทำเจ็ดอย่างคืออะไรล่ะเออพู้ชมโคลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเอาสติมาพิจารณาดูธรรมวิจัยยะธรรมมาวิจัยะวิจัยในธรรมธรรมคือลมหายใจ วิจัยหรือว่ามันเข่ามันออกเอากระไม่ก็สติกับลมวิจาร์วิจัยกันอยู่นี้ก็จะเกิดปีติขึ้นเกิดปัดสัทธิเกิดสมาธิขึ้นก็เกิดยะถาภูตายันทัศนนะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ตัดสู่ได้ง่ายไหมละ่ะฮะ ง่ายไหมสติลงหายใจฮะง่ายจ้วลมก็ลมพวกเราดูเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ลมพขาคน อ, อ, อื่นไหมฮะอันนี้แหละวิธีทรมันไม่เห็นลมไม่เห็นลมก็จับออกจิตเลย อันนี้แหละสติมาตั้งสติก็คือผู้รู้นั่นละผู้ะระลึกลู้จิตก็อยู่ในสตินี่แหละอันรู้รูนั่นก็เรียกว่าจิตโู้ลมหายใจมันจะบังมันจะห่อเอาผู้รู้อยู่เบื้องหลังลมหายใจจะมีตัวความรู้อยู่ถ้าคนไหนอยากเดินทางัด ก, ก็เอาสติมาจับเอาตัวผู้รู้ลมเข้าลมออก เอาจับเอาจิตเลยไม่ต้องอให้จิตมาทีแรกเราเอาลมหายใจเป็นเครื่องล่อจับเอาจิตใช่ไหมให้จิตมาลู้กับลมหายใจแล้วจึงจะจับได้ทีนี้ลัดเข้ากว่านี้อีกได้ไหมไม่ต้องจับไม่ต้องเอาลมมาเป็นอุปกรณ์เครื่องล่อจับเอาจิตโดยตรงเลยเอาผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกเลยเอาสติมาตั้งไว้ฐานก่อนรู้ ไปไหนก็อย่าเาวางฐานให้จิตมาลูกอยู่ที่ฐานตัวผู้ลูกอยู่ในจิตก็อยู่นั่นสติกับผู้ลูกก็จะเป็นอันเดียวกันง่ายขึ้นทีนีน้เห็นแต่วความลูกความว่าไปไหนมาไหนก็อย่าทิ้งฐานให้สติจ่ออยู่ที่ฐานก็สำเร็จในการภาวนาง่ายๆสมะถะใส่จิตมาลูกอยู่ที่เดียว กิตมีฐานมีที่มีที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกับเรามีบ้านนี่แหละมีที่อยู่อาศัยเราก็ไม่ได้เป็นเช่าของคนอื่นไม่ไปอยู่บ้านคนอื่นมันก็อยู่บ้านของเจ้าของถ้ากิตมีฐานมันก็ตั้งเป็นหลัก็ัฐานอยู่ไม่ไปเที่ยวที่อื่นสติก็คุมจิตรู้จิตอยู่รู้อยู่มันมันก็ได้สมาธิเข้าใจไหมล่ะจะง่ายขึ้น ลองดูหลายๆทางลองดูหลายๆแบบนะยังดีกว่าไม่มีวิธีการเรียกว่าเทคนิคอเทคนิคนอกเอาใครมีไหมล่ะมีไหมค่ะค่ะนี่เราเราผู้รู้มาถึงทอรู้สึกรู้สุดที่ที่ที่ที่โคจงหมใช่ใช่ในั่นแหละตัวผู้รู้นั่นแหละคือการรู้สึก ตัวสติกับผู้รู้ก็คือเดียวกันนั่นแหละเลยสงสัยว่าที่รู้ลมรู้ลมคือรู้เป็นผู้รู้ใช่่ะผู้รู้ก็คือจิตนั่นแหละอ่าผู้ผู้รู้ก็คือสตินั่นแหละแต่มันทางานอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสติเฉยเฉยก็คือจิตอันเก่านั่นอ่าเข้าใจนะแยกเรียกชื่อเฉยเฉอ จับเอาตัวผู้รู้ว่าเข้าว่าออกนั่นจิตคือผู้รู้ผู้รู้อยู่ไหนจิตก็อยู่นั่นเข้าใจไหมจิตอันใดใจก็อันนั้นจิตอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นเพราะจิตอันเดียวกันกับใจบางทีก็เรียกว่าใจบางทีก็เรียกว่าจิตบางทีก็เรียกว่าผู้รู้ก็คนเดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมเอามารู้อยู่ที่ปวดขาจิตก็มาอยู่ที่ปวดขาด้วยแ่ะไม่มาอยู่ที่ ไปจะหมกได้ที่ไหนเข้าใจไหมจิตหนีจากฐานแล้วมารู้อยู่ที่ความปวดขาแสดงว่าตัวผู้รู้หนีแล้วจิตหนีจากลมแล้วหนีจากฐานแล้วเข้าใจไหมมันมารู้อยู่ที่ปวดขามันจึงมีอาการขึ้นมาได้ถ้าเรวาวังอาการนี้ออกไปรู้อยู่คุมไม่ให้มารู้ที่ปวดปวดให้มันรู้อยู่ที่ฐานอย่างเดียวมันก็ วางทางนี้เพราะว่าจิตมีกิตเดียวคุมไม่มาอยู่ที่เดียวมันก็หมดสิทธ์อ่าอ่เอาเข้าอะถ้ามันอยู่ไมครั้งเที่ยยมยมตกหลุมหลกนี้รรยากที่ยมไม่รไม่นเลยอยน้เราไมเราถึ่รู้เยอเามันตกพรางตัว โอ้ระวังมันมีตื่นมีเลือกระวังมันมีหลายอย่างสามอย่างมันรวังเราเราก็าคิดว่าเราอยู่แตลม้มาเตง อ, องงนมีสติก็ไม่ได้มีอากมันมันจิตมันจะสงบง เ, เราจะไปตกใจตื่นเต้นตอนนี้แหละสงสัยขึ้นมาวิกิวิกิฉาขึ้นมาก็ถอนตกใจตื่นเต้นก็าถอนจิตหยาบขึ้นมา มันเป็นยังไงรู้อยู่ซะก่อนเข้าใจไหมจับเอาตัวผู้รู้นั่นแหละรู้อยู่ซะก่อนไม่เป็นไรลงไปถึงไหนก็ช่างหัวมันมันไปถึงสุดมันก็หยุดเท่านั้นบางคนก็ลงไปเหมือนกับตกเหว ว, ว, ว, ว, ว, ว้วื้วื้วื้พอไปถึงดินปุ๊บมันก็หยุดจิต ก, ก็ว่างสว่างสวัยลงถึงทานใหญ่อันนี้เรา สงสัยหนึ่งสงสัยสองตกอกตกใจยินดียินไล่เขาไม่ให้ยินดีไม่ยิน้ายเขาใจไหมไม่ให้สงสัยมันเกิดนิวรณ์ทำให้ขึ้นมาแล้วนั่นนะสงสัยวิ จ, จิตรฉาความโลเลงสังสงสัยเกิดขึ้นจิตก็ถอนหยาบถ้าเห็นอย่างนี้ก็รู้อยู่เฉยจิตก็จะนิ่งว่างลงไปถึงฐานใหญ่ได้ เข้าใจนะที่นี่นะเ๋ยวจะขอความหมายของควาปัตสธิที่มันคือรินมันมันเปี่นเป็นลักษณะทว่าาัคอามัิอ่ะสิแล้วก็ัินอมันเป็นยังไงความสงบกายสงบใจนี่แหละปัตสธิกายสงบจิตสงบว่ามันจะเกิด มันก็ออมันอันนี้มันไม่เกิดนานปัสสธิสงบหลายๆายครั้งหลายๆลายครารวมเป็นสมาธิขึ้นมาบางทีมันจะเกิดสุขก่อนจึงจะได้สมาธิปัสสธิแล้วก็สุขพอสุขแล้วจะเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดยาน ทัศนาหรือยถาปูธยานทัศนะขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงญานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นยถาภูดว่าตามเป็นจริงเข้าใจนะแปลใส่กันเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้คือเห็นตามความจริง มันเป็นกริงของมันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวลาบมานหน้ากองใสแต่ก่อนมีคนไปถามหลวงตาว่าเอจิตทําไมไม่สงบโอยจิตสงบแล้วทําไมไม่เกิดปัญญาไปอ่านดูว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนเที่ยวไปถามเราก็ชี้แจงให้ฟังเราที่แรกเราก็สงสัยเหมือนกันก็ไปถามหลวงพ่อ มันเกิดแล้วปัญญามันเกิดแล้วเราก็ไม่เห็นเกิดสัก ท, ทีมีแต่ความว่างเฉยๆว่างไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือปัญญาเข้าใจไหมเราจะเห็นว่าขันห้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวสัตว์บุคคลตัวตนที่เราสงสัยแต่ก่อนว่ามันมีลงไปถึงจุดนั้นไม่มีผู้สงบลงถึงนี่ ถึงจะเข้าใจง่ายเวลาพูดว่าว่างที่สุดนั่นแหละคือปัญญาเข้าใจไหมว่างนั่นแหละคือปัญญาคือว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากความเกิดแก่เกิดตายคือพระนิพพานไม่มีเกิดจิตมิแต่รู้รูููู้้้อยู่เฉยเฉยไม่มีตายว่างจากความ แก่ความตายเกิดแก่เก็บตายมีแต่ธรรมชาติธาตุรู้รู้อยู่เฉยๆเข้าใจนะไม่มีอะไรที่ไหนอ ะ, อะไรอีกใครสงสัยอะไรอีกแม่ะาถาม เ, เรื่องความว่างนะคะอีกคา ย, นะคยเพราะว่าปกติอะหนูว่าพอนานมาได้ปัจจัยหนึ่งนะคะหนูกไม่เข้าใจว่าเวลาที่เขาพูดความว่างอะหมายว่า เป็นในยาไหนหนูเวลาหนูนั่งภาวนาหูว่าเราดูกายอะค่ะเมื่ี้เราเห็นความวาในกายอะค่ะตาเนี่มันว่าดในกายแต่ก็ยังมีกรอบมีอะไรอีกนะคะหนูก็คิดว่ายังไม่ใช่ว่าดที่แท้จริงแต่ถ้าหลวงตาพูดถึงภาพวาเมื่อกี้อาหารหนูพอจะเข้า <c oughs> ใจแล้วว่ามันยังของเราในเรความว่าดอะไรก็ไม่รู้อ่ายังไม่ถึงจุดนั้นอ <c oughs> <c oughs> ่าถึงกระสอกใส่แล้ม่อีกครั้งเลยนะคะลงตา มันจะมีช่องว่างนะคะคําว่าสมมติว่ามันมีครั้งหนที่เคยมีความคิดแล้วความคิดมันกระโดดจากคิดอีกคิดหนึงไปอีกคิดหนึ่งนะคะมันก็จะเห็นช่องเล็กๆของการเปลี่ยนก็คือช่องว่างมกันมันดับมันดับมันดับมันเฉยๆดับก็ว่างนิดหน่อยแล้วก็ไม่เห็นอีกนิดมันเกิดอีกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ความคิดก็เป็นอนิจจังมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่เที่ยงเข้าใจนะเห็นว่างว่างที่นี่ที่ว่างนี่เป็นศูนย์นะศูนยากาศเป็นธรรมชาติอยู่ท่านเรียกว่านิพพานังบามังศูนย์ยังว่างจากสัตว์บุคคลที่เราเห็นในเป็นธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ในสมาธิว่างจากความเกิดความตาย จิตไม่ได้เกิดไม่ในายว่างเป็นธรรมชาติศูนย์ศูนย์จากความเกิดความแก่ความตายศูนย์จากพบจากชาติคาว่าว่างนี่เข้าใจไหมมันเป็นศูญญตาว่างเป็นธรรมชาติใช่หเรียกว่าศูนย์ยางศูนย์จากสัตว์บุคคลไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นว่างจากอดีตอนาคตเข้าใจไหมอดีตเรื่องเก่าก็ไม่มี อนาคตไม่ก็มีจิตไม่เกิดไม่ตายมีแต่สภาพรู้เป็นธรรมชาติรู้เฉยนี่แหละจิตลงถึงธรรมชาติลงถึงธรรมชาติจิตของใครก็ตามถ้ามาลงถึงธรรมชาติอันนี้ก็เรียกว่าเห็นพุทธธรรมสงภายในเห็นองค์พระนิพพานตั้งแต่ยังไม่ตาย มันจะเป็นศูญญตาว่างสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีไม่มีเกิดมีดับท่านเรียกว่าอมตะจิ ต, ตอมตะธาตุไม่มีการเวลาเรียกว่าอาการลิกโกจิตอาการลิกโกธาตุนั่งแป๊บเดียวออกมานึกว่ามันไม่หลายดูได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าจิตไม่ไปถือเอาเวลาเขาเรียกว่าจิตการเวลาไม่ครอบงําจิตได้ เรียกว่าอากาลิโกจิตอกาลิโกธาตุอากาลิโกทำจิตเดิมนี้ตายไม่เป็นมีแต่รูรูรูยืนลงอยู่อย่างนี้ต้นของจิตที่ความเกิดความดับนั้นเป็นเวทนาสัญญาสั้งขันเป็นกิริยาอาการของจิตให้เขาใจอย่างนี้นะตัวต้นของจิตจิตแท้ใจเดิมมันไม่ตายพวกนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของจิตเป็นกิริยาอาการของจิตให้เราเข้าใจอย่างนี้นะมันเป็นว่างสุญญตาโยเนี่ย ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เราไปอแ่าอไปคิดว่าเข้าใจ น, น, นะเทเน่นนะเอาเอาใครสงสัยอะไรเอาอีกขอพ่อแม่บาอาจารย์ชาพันธ์ภาวนาชาพัจิตมันจะรวมบ่อยๆนะคะแล้วมีคนอื่นแต่ก็จิตรวมบ่อยๆเลยรวมหลายครั้งด้วยชาพันแล้วครั้งสุดท้ายนี่รวมใครพวกแล้วก็ เห็นกระดูกเจ้าค่ะให้ยังงั้นคือนิมิตหรือว่าเป็นเหตุปัญญาเจ้าค่ะเป็นจะเรียกว่านิมิตก็ได้นิมิตนั่นแหละกิจสร้างขึ้นกิจกำหนดขึ้นบางทีเขาเรียกว่าพระธรรมพระธรรมมามแสดงให้เราดูนิมิตนี่ถ้าดูติดตาเห็นติดตาติดใจเขาเรียกอุคขานิมิต ถ้าเห็นเกิดเห็นดับเห็นนั่นเขาเรียกว่าปฏิภาคในมิตถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็พยายามจำให้มันติดตาเอาไว้ถ้าจดอนั้นยังจำติดตาจะเออเจ้าค่ะท่านาข้อแมสบจเจ้าค่ะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าคือตอนนี้่าไม่ได้บริกรรม่พุโทโธแล้วนะเจ้าเพราะว่ามันไม่มีโลมหายใจ ม, มีแต่อยู่แต่ตรงกลางแล้วบางทีจิตรวมลงไปถึงบางครั้งที่แบบว่าร่างกายนิสันเลยเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพ่คือพิจารณาร่างกายอย่างอย่างอย่างตอนนี้พักผ่อนนอนหลับอยู่อย่าไปปลุกจิตไปทํางาน เขาเรียกกิจกิจกำลังเข้าพะวังอยู่พะวังแกว่าพักนะพะวังมันมีสามอย่างพะวังคู่บาทคือพักจิจหยุดทํางานเล็กๆน้อยๆเทียบเท่ากับขัธิกะสมาธิพะวังจลณะกิตยังจรไปไปรู้อันนั้นอันนี้อยู่จ า, จาระจาระแปลว่าจรนแปลว่าไปคู่กับอุ ป, ปจาระสมาธิกิจก็ยังไปรู้อันนั้นที่นั่นนี้ได้อยู่ ถ้าพระวังใหญ่ลงถึงพระวังใหญ่เรียกว่าพระวังคูปัเจทะจิตลงถึงฐานใหญ่ที่ว่าตกมู้วู้วลงไปบะหยุดกึกถึงฐานใหญ่ว่างสว่างผองใสเป็นธรรมชาติอยู่นี่เขาเรียกว่าพระวังใหญ่จิตจะพักอยู่นาน นานจิตจึงจะมีกําลังจิตไม่ได้ทำงานถ้าไปปลูกจิตไปทำงานพาบัญิดตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เขยยไหมยังเป็นสมมตาอยู่ต้องให้จิตตื่นจากพระวังนี้ซะก่อนจึงใช้จิตจึงใช้จิตทำงานถ้าช่างเหล็กช่างทองเขาก็ตอนนี้เขากําลังเอา เหล็กเข้าเตาอยู่ให้มันร้อนเต็มที่มันแดงอ่อนนุ่มนั่นนะจึงตีเป็นมีดเป็นขวานเป็นอะไรได้จิตของเราก็มันมีพละกกำลังแก่กล้าแล้วเขาเรียกว่าจิตนุ่มนวลคู่ควรแกการใช้งานจิตออกจากสมาธิใหม่ๆจึงจะคมจะกล้าถ้าเป็นอาวุธของช่างก็เขารับเขาฝนใหม่ๆ สมาธนะิน่ะเปลี่ยนใจเหมือนหินลับมีดหินลับอาวุธเขา้าใ็นไหมอ่าออกใหม่ๆแล้วผ้ามันคิดทีเนี่ยอ้าคิดก็จะมาคิดนอกเรื่องมันหลงขั้นห้าไม่คิดดูคั้นห้าเจ้าของมันหลงกายก็ถอดผมคนเล็บฟันเนี่ยคือกายเขาย้าห็นไหมมาดูอุทยานของพระอริยะเคยได้ยินไหมหละ่ะ เคยชมไหมอุทยานของพาริยาอุทยานก็คือกรรมฐานห้ากรรมฐานสามสิบสองเข้าเยี่ยมชมอุทยานทุกวันทุกคืนเห็นว่าผมคนเล็บฟันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอะไรกี่ยังลังยั่งยืนให้เห็นเป็นอสุภสุภเห็นอนิจจังทุกครั้งนะตา แล้วก็ได้เป็นอริยะอุทยานของพระอริยะง่ายไหมล่ะทีนี้โอ้ยมันไม่เข้าไปเยี่ยมสวนอุทยานสักทีเนี่ยนั่งหายใจทิ้งอยู่เฉยเฉยจึงจะเบือ่อ <c oughs> เบื่อในในกาย <c oughs> เบื่อในในกาม <c oughs> เบื่อในในเกิด <c oughs> ออาเข้าใจไหมล่ะทีนี่ยฮ <c oughs> มีอะไรอีกท้า <c oughs> งไหนสงสัย <c oughs> ออ มันถูกแล้วถ้ามันว่างอย่างนั้นก่อนเนอะว่างเป็นธรรมชาติอยู่นั่นแนะหละจิตลงถึงธรรมชาติธรรมชาติอันนี้แหละเขาเรียกว่าอารมณ์พภาพในจิตของใครไม่ลงถึงตรงนี้ก็เข้าถึงธรรมชาติด้วยกันหมดเหมือนน้ําไหลลงทะเลก็เข้มเหมือนกันหมดจิตของใครลงถึงตรงนี้ก็เป็นศูญญาตาหมดว่างเป็นธรรมชาติหมดเข้าใจนะท่เนี่ย อ่านันน่นละ่ะนั่นล่ะปัญญามันเกิดแล้วว่างคือว่างที่สุดเนี่ยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเนี่ยปัญญาเราเห็นแล้วลาบเมื่อหน้ากว้างไชเทนวานกายก็ไม่มีลมให้ใจก็ไม่บ้านช่องห้องหองก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีมีแต่ความรู้เป็นศูญญตาว่างเปล่าอย่างนั้นอใช้ได้แล้วอันนี้ใช้ได้แล้ว เห็นธรรมแล้วเนี่ยดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเราก็คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ก็คือความว่างกันนั้นแหละคือสุญญตาเนี่หละเข้าใจไหมท่านเนี่ยใครเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเราก็คือผู้รู้รู้รู้รู้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นผู้รู้ก็คือเราเราก็คือผู้รู้ ผู้รููก็คือพุโทโธผู้ลูกก็คือพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้ใ ด, ดก็เห็นตัณาคตนันก็เห็นความว่างอันนั้นแหละเข้าใจวะอะเห็นธรรมชาติอันนั้นก็เห็นเราเห็นผู้ลูกเห็นตัณาคตแม้แต่จับชายผ้าอยู่ยังไม่เห็นความรู้ความว่างอันนั้นก็ยังไม่เห็นเราเข้าใจไหมอ่าถ้าใครเห็น ทำผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นผู้รู้ผู้รู้กับผู้ว่างมันเป็นคนเดียวกันเหลี่ยมหนึ่งมันจะว่างด้านหนึ่งจะเป็นรู้รู้รูอันหนึ่งในความรู้อันนี้กับมีความว่างอยู่นั่นน่ะคือธรรมชาติเนีน่ยคือความว่างอยู่นั่นผู้ใดเห็นธรรมก็เห็นผู้รู้ผู้รู้เห็นเรา เห็นแต่้าคสอันเดียวกันใช่ไหมเอา้ามีอะไรอีก อ, อ่อมีแต่เก่งแล้วัาที่หน่ใช่ได้ใช่ได้ไม่มีเดีย๋ยมันมีก็ดึกนี่ก็อย่าพากันพึ่งนอนนะออกไปเดินจงกรมอีกอยาวจิตวางจากฐาน ยังไงยังไงก็ให้มารู้อยู่ที่ฐานถ้าใครเอาฐานไว้หน้าอกก็ให้ตัวสติมารู้อยู่ตรงนีน้ไม่เห็นลมเข้าลมออกไม่เห็นยุ่หนอพองหนอก็เห็นแต่ความรู้กับความว่างก็เอาจิตมารู้อยู่กับความรู้ความว่างนี่ถ้าอยู่นี่ก็เหมือนกันไม่ให้จิตส่งไปข้างนอกให้จิตมาตั้งเป็นหลักเป็นฐานอยู่จิตฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสติที่บอกเอาไว้นะั้น ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ประสบความสำเร็จหมดน <หา S 1> จะจ e ัั persona persona ักกกาาาาาารรรขข้้้้งงแวววมมนนนนเเเเเ็ต่่่่่บีีียจคืออออพททุละ โยมก็เลยหลังๆในความรูสึกว่าได้ 5-5 คือโยวดเร่เร็เส้นนั้นนี่ไม่ถูกนะเราควรจะหายใเข้ า, ม, า, ามันยวาไม่ไม่ไ ม, ม่มันเียวมีความสงมันวาี่มาไม่ถึง5นาทีเพื่นความถูกแล้วถูกแล้ ว, ลวมันจมาว่าจะลงลองนีเราเ็น่งเียไม่ผิดถกรถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก จะไปเดินทางใหม่แล้วนะเนี่ยทางเก่าเนะี่ยวิธีเข้าเข้าแบบเก่า mm hmm. เข้าใจไหมเคยจับเอาฐานมาไว้ที่ไหนเคยเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็จับที่นั่นเอาไปมามันชำนานมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมา mm hmm. ถูกแล้วต่อไปดูลมั้งสองั้งลมหายก็มีแต่ความรู้กับความว่างก็เอาจิตมารู้กับความว่าง เขาใจไม่นี่ยเอาไปมาไม่ได้เห็นลมได้กำหนดสติปับ๊บอยู่ที่ฐานก็เห็นแต่ความรู้กับความว่างเจับเอาความรู้ความว่างอ่คอรันึงเยถึงกว่าไม่เหลือคมอที่เกิดเ่ต่างคือนจริงๆลักษณะแบบนี้มันเป็นโยงไปถึงสองถึงเรื่องของสัญญาที่เห็นหลบตาไว้ทำว่าความจาแบบ ก็จิๆมันไม่ควรจะมีในในการพิจารณาที่ว่ า, านำกับรูกเนี่ยพราจะเรื่องจิดของเานเคสขนาดสัญญาสัางคดเนี่ยยม่ังไม่ค่อยเข้าใจกซึ้ ง, ะ ง, งนะคว่าความไม่ใช่เราคืออย่างรูกแทนนะคะว่าธาอุทางสีหรือร่อางการของนี้ที่มีระบบประสาทหรือลมหายใจมันถึงการแตกกแบบับยมย่ ง, ยงราแม้ว่าไม่ใช่เรา มเมื่อมันละลายหรือลอยลงไปในน้ำกลับไปสุ่น้ำเงินเดิมถูกะอันนี้มันง่ายแค่ไนคือเราเหมือนกับไมุ่่งที่เชิญนามาเราก็พอออกเอามันพอรู้แล้วยาสังารมที่สังขารยัมากเลยอ๋ออันนั้นยงนายพรมเห็นสังขารเสื่อมเองแต่ยังติดสัญญาที่นี่ยงเงินยงยงยงไม่ที่เริญาแบบนี้แล้วยงที่เชิรนามแบบ ได้ได้ับคุยของคะว่างั้นพอมนเป็นขันห้าแล้วก็ไม่ใช่เด็กดาก็ไม่ต้องใหญ่ใจให้เด็กดาวไม่ต่างสักโอ้ไม่เไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะได้ฟังจุจะทำยังไงอะแล้วโยมก็มาฟังทำาเปิดก็อันี้ก็ตินะแล้วจะัไแล้วเจตนาหลงตาก็มาพูดอลว่าเจตนา ทำให้เกิดกันมและอย่างของสุดอ้อยที่มาที่ถามคาถามว่ามันลอยสัญญาณมันลนอยขึ้นแล้วมันิจารณายังถือว่าเจะเจตนาอะไรก็มันจะยังเป็นกรรมอ้อยเรายังไม่รู้จักรูป ก, กับน้ํารู้จักพอแต่แตชื่อมันเฉ<อ>ยๆเนาะยังรูปนั้นนายังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเมื่อกี้ก็บวกแล้วอารมณ์นั่นก็คือรูปภายนอก ธรรมรมก็คือรูปภายนอกใจคือรูปภายในวิญญาณมโนวิญญาณคือความรู้ทางใจก็เรียกว่านามเราจับรูปกับนามยังไม่ชัดยอมตุกยังไม่ชัดรูปมันมีรูปหยาบรูปขั้นกลางรูปละเอียดรูปหยาบก็คือกายนอกกายหมินนี่เข้าใจไหมรูปละเอียดคือกายลม รูปอันปรนณีตคือตัวจิตแท้ใจเดิมของเราเข้าใจมใั้ยล่ะท่านนี่ต้องเข้าใจเรื่องรูปที่นี่เป็นรูปละเหียมันจะกายเป็นสัญญาณในเวลาที่มันาสนมันมีมาหมดนั่นแหละมันเป็นรูปต้องเข้าใจว่ามันเป็นรูปรูปพวกนีน้รูปปจิตไม่มีตัวไม่มีตนเอา้าฟังฟังไปฟังไป ฟังไปต้องรู้จักกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือนามนามสี่นามสี่มันไม่มีตัวไม่มีตนนะนามมันมีแต่ชื่อญญเขาตั้งชื่อให้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉยๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันเกิดจากไหนยังบอกเมื่อกี้มันเกิดจากจิตแท้ใจเดิมเรียกว่าต้นของจิตคือตัวพุทโธเข้าใจไหมต้องรู้อย่างนี้นะตัวจิตเดิมแท้นี่ไม่มีกิ่งก้านสาขาสียอันนี่เรียกว่ากิ่งก้านสาขาของจิตมันเกิดจากจิตตัวนี้แหละเนี่ยตัวผู้ลู่เนี่ย พออารมณ์เข้าไหลเข้ามากระทบนี่จิตก็เลยเกิดนี่แหละเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาก็จิตเสวยอารมณ์ดว่สุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือกิริยาอาการของจิตเนี่ยเมื่ออารมณ์ ภายนอกมากระทบภายในอายตนะภายนอกมากระทบภายในอายตนะคือที่ต่อที่ต่อบ่ อ, อกเกิดของกิเลสมันจะต่อเข้าไปถึงใจใจน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณขันเข้าใจไหมล่ะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตน้อมออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณขันเกิด เรียกว่านามเกิดนี่แหละนามเกิดพอเป็นชัน้นวิญญาณจิตน้อมรออับอารมณ์ก็เรียกว่านามนี่วิญญาณคือนามคือใจใจน้อมออกรับอารมณ์เข้าใจบ่ทีนี้เมื่อออกรับอารมณ์แล้วนามสามอย่างจะเกิดขึ้นมานะท่านอันนี้เรียกว่า นามวันที่หนึ่งคือวิญญาณเข้าใจไหมวิญญาณคือใจอจิตมันมาบอกใจใจออกรับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณพอวิญญาณออกรับอารมณ์ใจออกรับอารมณ์ใจก็เสวยอารมณ์ทันทีคือเวทนามันจำอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วรูปสวยไม่สวยเสียงดีไม่ดี ก็เรียกว่าจำเอาอารมณ์ได้เขาเรียกว่าสัญญามันเอาอารมณ์สัญญาไปประกอบกิจกิตจึงเป็นสังขารกิตแท้ใจเดิมมันว่างอยู่เอาพออารมณ์เข้าไปประกอบก็เลยไปเรียกชื่อใหม่ว่าสังขารคืออารมณ์ไปพุงแต่งกิตเข้าใจไหมล่ะเมื่อกิตน้อมออรับอารมณ์เนี่ยก็เรียกว่านามสามตามกันมาเกิดพรับ พร้อมกันนะเกิดกับแต่พร้อมกันสายฟ้าแรบก็ไม่เร็วปานเอาวิญญาณแท้วิญญาณมันมีสองอย่างวิญญาณเทียมวิญญาณแท่จิจปลอมก็มีกิตแท่ก็มีกิตแท่คือต้นของจิตวิญญาณตัวนี้ไม่มีกิเลสไปยิงแอบอาศัยเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้ของเราผ่องใสสว่าง อยู่เขาเรีย ก, กจิตแท้ใจเดิมเข้าใจไหมทีเนี่ยนี่แหละต้นของจิตเรียกว่าพุโทโธเรียกว่าวิญญาณเรียกว่าจิตแท้ใจเดิมมันจะรู้รู้อยู่เฉยๆนี่เราไปเห็นในสมาธิแล้วว่ามันรู้รู้อยู่เฉยๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปเอาในหนังสือมาพูดเข้าสมาธิจิตว่างลงเหลือแต่ความรู้รู อดีตไม่มีอนาคตไม่มีกันรู้อยู่เฉยๆอุเบคายเอกับคาตาลมคือต้นของจิตต้นของจิตมันจะยืนลงอยูน่นี่ตายไม่เปลี่ยนตัวพุูุนไงอารมณ์ไหลเข้ามาทั้งหัวทังตามันมากระทบจิตจิต ก, กระเพื่อมออกรับอารมณ์เรียกว่านามสี่เกิดเข้าใจไมท่าเนี่ยเข้าใจแล้วจังฮ ะ, ะ, ะนามนี่มีแต่ชื่อนั้นเนี่ยใจเนี่ย ใจนี่ใจจริงๆมีไหมฮะใจจริงๆมีไหมเนี่ยฮะมันไม่มีใจนี่เป็นชื่อของธรรมชาติอันนี้จิตคือธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติอยู่นี่ต่อมาเขาตั้งตั้งชื่อว่าใจใจก็เป็นชื่อของธรรมชาติอันนี้ใจนี่คือชื่อของธรรมเขาเรียกว่านามธรรมเข้าใจไหม ฟังออกไหมล่ะที่ไหนเธอนี่จำเอาบุ่นใบเนี่ยมันตัวธรรมชาติที่เห็นอยู่เนี่ยต้นของจิตเนี่ยต่อมาเขาตั้งสมมติชื่อว่าใจเพราะว่ามันมันมันอุเบกขามันเป็นกลางอยู่เหม็นใจก็รู้ดีใจมันก็รู้สุขมันก็รู้ทุกข์มันก็รู้หอมมันก็รู้ มันเป็นกลางอยู่อุเบกขาอยู่ไม่ยินดีไม่ยินไล่เขาเรียกว่าเป็นกลางคำว่าเป็นกลางนี่เขาตั้งชื่อสมมุติให้ตัวธรรมชาตินี่ตั้งชื่อว่าสมมุติว่าใจเข้าใจไหมใจจริงๆริมีไหมที่นี่เอาฮะอันนี้แหละใจสักแต่ว่าใจเนี่ยเข้าใจไหมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมมุติไทยเป็นชื่อของใจเป็นชื่อของธรรมชาตินี่เฉ ย, เฉย เข้าใจมไหมล่ะทางนั้นเหรอใจจริงๆริมีไหมล่ะไม่ใช่ไปทอกงนั่นเนี่ยพวกไงใจสัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคนนี่นะมันบังมันบังอยู่เนี่ยโชคดีแล้วมาถามอย่างนี้มันจะได้รู้ที่นี้ใจจริงๆริมีไหมพระพุองค์บอกตอนหนึ่งนะจงวางใจเสีย อย่าเอื้อเฟื้ออะไรในใจตนถ้าวางใจมันจะไม่ใจหรือโยมตุฮะวางได้ยังไงทีเนี่ยจะวางได้ไหมทีเนี่ยฮะวางได้ไหมไาวางรู้ว่ามั น, มนไม่ใช่เรา ม, มันไ ม, มน่ไม่ไม่ไม่ไมไมสัตวบุคคลตัวตนเราเขาเป็นสมมุติตั้งชื่อมาเรียกธรรมชาติอันนี้ว่าใจเฉย เขาใจไหมที่ไหนฮะพูดย้ำมันอยู่นี่อะไรจนหัวมันแตกเลยนะพวกเนี้ยฮะฮะเข้าใจไหมล่ะยุ้ยฮะใจใจใช่เราไหมที่ไหนไม่ใช่เนี่ยเก่งแล้วที่ไหนอ่าใจเรานี่คิดว่าอย่างงั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะใช่เฉพาะมันก็ใจเป็นเราอยู่ที่ไหนใจเป็นชื่อของนามธรรมเป็นชื่อของธรรมใช่อนามแบบว่าชื่อ ชื่อของธรรมชาติอันนี้เขามาตั้งชื่อว่าใจฟังออกไหมทีนี้ฮะแม่ที่เรหายเลยเิทีนี้ลูกก็คือน้ำสีเนี่ยอลูกก็คืออันอันธาตุสีน้ําก็คือน้ำสีน้ำสีนี่เป็นกิริยาการของใจธาตุสีเป็น เป็นอะไรของกายฮะ้าสีเป็นอะไรดินน้าลมไฟเนี่ยเป็นเป็นกายน้ำสีเนี่ยเป็นกิริยาอาการของใจกิริยาอาการของจิตตัวผู้รู้จึงเป็นจิตเข้าใจไหมตัวผู้รู้เนี่ยเขาเรียกตั้งชื่อว่า ให้มันว่าใจสมมุติว่าใจเข้าใจไหมมันมันเขาตั้งสมมุติว่าใจตัวผู้รู้ตัวจิตแท้ใจเดิมเนี่ยเขามาตั้งสมมุติชื่อว่าใจเข้าใจไหมล่ะทีนี้ใจจริงๆริมีไหมมีแต่ธรรมชาติรู้เฉยๆคําว่าใจนี่คือชื่อของธรรมชาติอันนี้แยกออกได้ยังทีนี้ แมวันนี้บางาแค่เรามาดูภาวนาแล้วตามขอจของตาที่ตั้ใจมากจะขาดกับอืมก็มาแยกกายสัตวแต่ว่าถ้าสี่ดินหํามาประชุมกันเฉยเฉยเขามาตั้งชื่อสมมุติว่ากายกายจริงๆริมีไหมไม่ฮ้ใจสัตแต่ว่าเขาตั้งชื่อให้ธรรมชาติคือตัวผู้ลู่นี่ ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ต้องท่องเอาที่ไหน <houses> เอาแต่ท่องเอาสั้นจกเข้าใจแล้วนะที <unt> ่ี้นนะหายสงสัยคำว่าลูกกับน้มแลวนะมันเป็นธรรมชาติกับน้ำนี่เขาเรียกว่าน้ำทมเข้าใจไหมที่ไหนน้มทม คือเป็นชื่อของธรรมชาติเฉยๆกายก็เรียกว่ารูปธรรมก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งรูป ก, กับนามก็คือธรรมธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆสภาวะธรรมมันอิงอาศัยกันเกิดปัดจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดเมื่อตายเห็นรูปก็คือรูปนั่นเองเข้าใจไหมละ่ะอ่ะมันก็ไปบอกใจ ถ้าใจรู้ว่าไม่มีสัตว์รุคนมันก็รู้เฉยคือเก่าเข้าใจไหมล่ะฮะมันก็อุเบกขาเอก็ะคาตาลมรูเฉยรู้เฉยอยู่นี่ล็อกตัวอยู่นี่ล็อกตัวอยู่นี่ไม่ยินดีไม่ยินไล่เนี่ยะใจเนี่ยมันยินดีไม่ใช่ใจยินไล่ไปมันรู้ให้หมดใจเนี่ยรู้เฉยรู้เฉยอยู่เข้าใจนะที่ไหนพอจะวางพ่อจะวางใจได้ไหมที่ไหน ฮะฮ ะ, ฮะ้ยก็สมมุตเิเฉยๆน้อยใจัหมใช่ไหมวางสมมุติที่งมันก็หมดก็วางใจเสียแต่ก่อนลุงตาได้ยินในพระท่านในเทศที่ไหนท่านวางอยู่ในแผ่นสีดินไหมจงวางใจเสียอย่าเ อ, อื้อเพื่ออะไรในใจตนไหมนั่นแหละพอเรามาเข้าใจอย่างนี้เราจะหาวิธีวางใจ โอ้ยใจมันก็สมมุติไทยเฉยๆไม่ใช่ใจแท้ใจจริงมันเป็นสมมุตเิเฉยๆวางสมมุติออกก็เห็นวิมุติเท่านั้นเข้าใจไหมละ่ะอันก็เป็นธรรมชาติอยู่เก่าอ่าดีกว่าไม่ได้มาฟังสงสัยถามเลยไม่ไม่เสียงที่ลูกตาให้เธอทำมาแก่หลักคืนนี้อาจไร้น นี่แห ล, แใละใจสัก์แต่ว่าใจไม่ได้ท่องเอาแล้วทีนี้เข้าใจแล้วกายสักดแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัลวตนเราเขาเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันเฉยๆน้ําก็มีเจ้าของดินไม่มีเจ้าของไม่มีเรามีเขาใจเวทนานามสี่คิริยาอาการของใจกิ่นกั้นภากขาของใจไม่ใช่ใจแท้ใจสมุทัยใจปลอม ยิงกันสาขาของใจเฉยๆใจนี่จริงๆไม่มีเขามาตั้งชื่อผู้รู้ความรู้ความธรรมชาติธ า, าตุรู้อันนี้มาตั้งชื่อให้สมมุติว่าใจเขายายไหมท่านเนี่ยอ่าใจจริงๆจึงไม่มีสัตวรรพคลตัวตนไม่มีอยู่ในใจก็แสดงว่าเรารู้เท่าเอาทันขันห่า รู้แจ้งซึ่งกายกับใจว่าไม่มีสัตว์บุคคล ต, ะ ต, ะตะัวตนเราเขาเวลาออกมานั่งอย่างนี้เมื่อตายเห็นรูปหรือจุกฮะตายเห็นรูปจะเป็นยังไงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ ว, ว่าเห็นโอคือจริงแค่หว่านะไม่ใช่เราเห็นเพราะไม่ใจก็ใจก็ไม่มีเราต่ากัไม่มีเราเรา ใจก็ไม่มีเราตาก็ไม่มีเราอยู่นี่เห็นยิงสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่ว่าไปท่องเอาสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเข้าใจไหมทีนี้่าไม่ไม่ไมีคันห้าอิงอาศัยกันเกิดเฉยๆสุขหรือทุกก็ไม่ใช่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำเพียงแต่ลูกกบน้ำอิงอาศัยกันเกิดเข้าใจนะทีนี้ เออเอาอะไนะ้อเอาอะไรนะ้อดีแล้วดีแล้วไปพากันเดินจ ก, กมอีกเด้อเดินจงกรมก็พิจนาดูที่สอนไปเมื่อกี้นี่นะใจมันมีจริงๆมั้ไหมไปหาให้มันเห็นนะจะหายสงสัยแล้วที่นี่ลงตาดีใจด้วยแล้วกำลังเข้าใจอเอาอะไนะ้ะที่นี่นะ